เจอพุทธศาส์สนาที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเกี่ยวกับทางทางปริยัติมากกว่าแจะจะเกี่ยวกับเรื่องชื่อชื่อของเกเรชื่อของธรรมแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ที่หายถึงอาการของเกเรของธรรมว่าเป็นอย่างไรคนที่อ่านท่านหนว่าความรู้ที่ได้จากการอ่านนี้เป็นความจํามันไม่ได้เป็นความจริง ดูนะครับว่าเราอ่านแล้วเราเราก็จำจำสิ่งที่เราอ่านแล้วสิ่งที่เราจำก็คือสิ่งที่เราคาดแทนเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นของจริงเราก็ต้องวาดภาพไปภายในใจของเราต่อทีนี้ใจของเรามันมันเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่สะอาดหรือแว่นตาที่ไม่ได้ขนาดากับสายตาของเรา พอมองมันก็จะมองไปตามแว่นตาแว่นตาบอกเป็นสีแดงแล้วก็ว่าเป็นสีแดงแต่ความจริงมันอา จ, จะเป็นสีสีม่วงอย่างนี้ก็ได้แต่เนื่องจากเรามีแว่นตาที่มันมีสีมันมันก็เลยทําให้เราเห็นความจริงเพียงแต่ความจริงไปเห็นไปตามแว่นตาคือเห็นไปตามการคาดคะเน การการคาดเดาของเราจำนวนความรู้ที่ได้จากการจากการศึกษาอย่างเดียวนี่ยังไม่พอต้องเอามาปฏิบัติคือมาเทียบ ก, กับความจริงที่ใจเป็นผู้สมัมผัสรับรู้ถ้าเอามาเทียบมาสัมผัสแล้วมันก็จะจะรู้ทันทีว่าเป็นอย่างไร การวิใจใัยของเราจะสัมผัสรับรู้ได้นี่ใจของเราก็ต้องอยู่ในในระดับที่สะอาดก่อนถึงแม้จะไม่เป็นคราวสะอาดที่ถาวรมันก็ต้องสะอาดพอชั่วคราวพอให้เราเห็นความจริงได้สักวัดนึงมืนกับว่มืนกับด้านตาที่เราเอามาเอามาเช็เอามาเช็ ด, อาาชดพอเช็ดสักถึงแม้ว่ามันจะสะอาดทเดียวเดียว เราก็จะเห็นภาพตามความเป็นจริงที่จากจากแว่นตาที่มันสาดจิตของเราถ้าจะมองให้อะไรให้เห็นตามความเป็นจริงนี้มันต้องเขา้าต้องมีสมาธิก่อนจิตมันต้องลมลมมันต้องหลุดออกจากความครอบงำของขันของกเกเราะขันตอนนี้มันถูกกกเลควบคุมอยู่เป็นเจ้าของอยู่ ความคิดของเราทุกความคิดนี้มันภายใต้อํนนานาจของอวิชชาของกิเลสอวิช า, า, ชาปัิยาสังขงรารมันก็เลยทําให้คิดไปในทางความรู้สึกนึกคิดของอวิชชาเป็ความหลงก็เหมือนกับที่บอกว่าแว่นตามันยังไม่สะอาดแลี่ยัง้นเราต้องเช็ดแว่นตาให้สะอาดพอเช็แว่นตาสะอาดแล้วมองไปมันก็จะทะละุมันก็จะมองเห็นทางความจริง สีเขียวก็เป็นสีเขียวสีแดงก็เป็นสีแดงมันจะไม่เป็นสีเอื่นใดนี่ก็พูดถึงการปฏิบัติพูดถึงความจริงกับความจำํำพอเรามีสมาธิแล้วทีนี้เราฟังธรรมเนี่ยมันจะเป็นความจริงได้บรรลุธรรมได้อย่างพระพนจนวคีร์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพระธรรมเทศนา ทรั้งแรกถ้านเหล่านี้ท่านมีสมาธิอยนนะ่แล้วท่านได้ปฏิบัติติดตามพระพุทธเจ้าได้ฌานกันทุกคนอยู่แล้วมีเสียงอยู่แล้วทานท่านกสละให้หมดแล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นนักเรียนก็ท่านอยู่ในระดับเป็นยาโทยุเป็นยาเอกแล้วท่า น, นก็เปลียนได้ท่า น, นก็เรียนต่อไปได้เลย แต่สำหรบบุาาคคลที่ยังไม่มีสมาธิเนื่องจากว่าอาจจะยังศีลังไม่บริสุทหรือยังไม่ดยยได้ทำทานเท่าที่ททสมควรเพราะทั้งศีละทานนี้จะสนับสนุนให้จิตใจสงบลงได้ถึงอย่างเต็มที่ลงถึงฐานได้พ อ, อคนที่มีสมาธิแล้วพอฟังไป แล้วก็พิจารณาตามความจริงตามเหตุตามผล ท, ที่แสดงไว้มันก็เป็นการปฏิบัติในขณะที่ฟังธรรมไปด้วยเป็นการศึกษาไปด้วยในขณะเดียวกันตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจสเรื่องทุกขมุทายนิโรธพระบัญญัติวัคทั้งหลายก็นั่งฟังกันแล้วก็พิจารณาตามตามเหตุตามผลก็ ก็ใีหนึ่งในพระพุทธวิคก็ปรากฏในดวงตาเห็นทำขึ้นมาเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความไม่เที่ยงเกิดจากความไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไปอยากกับในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกข์ก็คือความแกค่คามสจ็บความตายเหตุที่ทําให้ทุกข์ก็เพราะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะยังอยากอยากเกิดสัมผัสการมาลดเยอะ อยากดูอยากฟังอยากอยากได้ลมเปล่งอยากได้ริมรถอยากได้สัมผัสความรู้สึกต่างๆผ่านทางร่างกายอยู่ก็จะยึดติดกับร่างกายก็ะจะเกิดภาวะตัณหาหรื อ, อภาวะตัณหาขึ้นมาอยากจะให้ร่างกายอยู่เป็นนานไม่อยากให้ร่างกายแก่เ ouais. จ็บตายก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจสีทรงแสดงทุกแสดงสมุทยัย การแสดงมักคือสติปัญญาสินสมาธิปัญญาพอฟังแล้วก็กย่อดความเข้าใจขึ้นทันตะละสมฐานาก็เกิด น, นี้โรธขึ้นมาในขณะนั้นเนีย่ยที่ว่ามีดวงตาเห็นทําได้เห็นพราอริยาาสัจสเห็นครบถุ่น ท, ทั้งสีประการและทำกิจทั้งสี่ประการได้ในขณะนั้นคือกิจทุกต้องทุกต้องกำหนดรู้ ทรศึกษาให้รู้ว่าทุกคืออะไรทุกก็คือความแก่ความเจ็บความตายเหตุของความทุกข์ก็เกิดจากสมุทัยความอยากทั้งสามการมาตัญหาปวัตัญหาวิคขาตัญหาแล้วมรรคก็คือสติสัญญาพิจารณาพิจารณาว่าทุกคืออะไรก็ทุกข์ก็คือการแก่เจ็บตายแล้วอะไรทำให้ทุกข์ก็คือสมุทัยพราะรู้ว่า ตัู้ทยเปี่นใจยอมรับความจริงมแก่ยอมเจ็บยอมตายเพยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายความทุกข์ก็จะหายไปความกลัวตายก็หายไกลัวความเจ็บอยู่กลัวความแก่กลายหายไปก็เป็นนิโรธจึวนิโรธก็คือความดับทุกข์เจก็เบาโล่งสบายเหมือนกับขึ้นสวรรค์ใน ทนะที่มีชอยู่อันนี้มันเป็นความสุขอย่างมากถูกมากกว่าสุขที่ได้จากสมาธิสมาธิก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่พอได้แบบปัญญานี้มันเป็นเป็นความสุขที่ถาวรเพราะอ <c oughs> ย่างน้อยสุขระดับนี้มันจะไม่มีทางเสื่อมไปแล้วแ <c oughs> สมาธินี่มันยังเสื่อมได้ สมาธถ้าเราไม่ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเที่ยวชักระยะหนึ่งมันก็จะหายไปมเหมือนกับเราเอาน้ําที่แช่เ ย, ย็นออกมาจากตู้แล้วพึ่เอาไว้ไม่เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็เดี๋ยวน้ําเ ย, ย็เนยมันก็จะไม่เย็นนะแต่ถ้าเราเอาน้ําที่เราื่เทใส่แก้วดื่มเสร็จแล้วเราเอาน้ำใส่ลับเพ่อตู้เยนตมันก็ยังจะเย็นอยู่เรื่อย เวลาเราจะดื่มมันก็ยังมีน้ําเย็นให้ดื่มอยู่ถ้าเราข้าสมาธิอยู่เป็นประจำตลอดในเวลาส่วนใหญ่คือวันหนึ่งอาจจะเข้าหลายครั้งด้วยกันพอเข้าสมาธิเสร็จแล้วก็ออกมาเดินจงกรมเดินออกมาจงกรมทอนเหนื่อยพร้อเมื่อนั้นก็กลับลงไปนั่งสมาธิถ้าเราทำอย่างนี้ไปเราก็สามารถรักษ า, าฐานของสมาธิรักษาฐานของความสงบไว้ได้ แต่ถ้าเราไม่รักษาเมื่อไหร่ปั๊บหยุดไปเวื่อไรับเดียวมันจะหากันยหลวตานั้นก็เคยเล่าว่าถ้าจิตเสื่อมสมาธิเสื่อมเมือท่านไปทำกรกิจอันนี้ตอนนั้นทําก็เลยไม่ได้มีเวลานั่งสมาธิไม่ได้มีเวลาหนึ่งจงกรมจิตยังอยู่กับทำการทำกรกพอไม่ได้นั่งไม่ได้ทําสมาธิอย่างต่อเ น, นื่องมันก็เลยเสื่อมเปม็นห เพราะเสือมแ้ที่วุ่นว า, าย์อย่างว่าเวลาที่จะกลับเข้าไปให ม, <c oughs> ม่มันมันแปลว่าเป็นเศรษฐีแล้วมันมาเป็นคนยากจนมาเป็นคนยากจนเพราะว่ามันทรามารย์กับคนที่เป็นคนยากจนที่ไม่เคยเป็นกับเศรษฐีคนที่ไม่เคยเป็นเศรษฐีเขาเขอยู่ยังไงเขก็อยู่ของเขาอย่างนั้นได้แต่คนที่เคยเป็นเศรษฐีแล้วต้องมาอยู่แบบคนยากจนนี่มันแสนจะทอรามายใจ ว่ามันมีการหาความอยากที่จะกลับไ ป, ไปร่ำรวนเหมือนเดิม แ, แต่คนโจรนี่มันไม่มีมันก็อยู่ตามภาษาของเขาไปเขาก็เลยไม่มีความทุกข์ทรมานใจนี่ก็พูดถึงเรื่องของความจริงกับความจังความรู้ที่เราได้ยินได้ฟงได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือาจากกูบาจารย์นี้มันจะ เป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิเกิดเพราะก็เรียกว่าภาวนาเมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือคําว่าหมายถึงปัญญาที่เกิดจากจิตที่สงบแล้วการภาวนาก็ภาวนาเพื่อให้จิตสงบธรรมสมัชชาภาวนาเรื่องเรื่องของสมถชชาคำวิปัสนาถึงเป็นสิ่งที่มัน เป็นเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวามันจะขับส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ถ้าเปรียบเหมือนคนที่มีเท้าสองเท้ากับเท้าเดียวเนี่ยคนที่มีสองเท้านี้ก็เดินได้อย่างปกตเแต่คนมีเท้าเดียวนี่ยเดินเหนื่อเดินไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเท้าที่มีกำลังมากกว่าอีกเท้าหนึ่งที่หายไปก็ตามก็ยังต้องมีทั้งสองเท้าอย่างเรามี้ะ เท้าซ้ายเท้าขวาแล้วอาจจะถนัดเท้าซ้ายหรืออาจจะเท้าขวามากกวเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็อาจจะแข็งแรงกว่าเท้าซ้าแต่ถ้าเราขาดไปอีกข้างึงเท้าซ้ายที่ไม่แข็งแรงเท้าเท้าขวาเท้าขวาแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอะไรได้สมาธิถึงแม้ว่าจะไม่ได้วิเศษอย่างปัญญาเขาทำปัญญาข้างในมีสมาธิก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรไม่ได ตอนนี้พวกเราก็มีปัญญากันแต่มันไม่ใช่เป็นภาวนาเมย์ปัญญามันเป็นสูตรตะเมย์ปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตะเมย์ปัญญาจินตาเมย์ปัญญาคือเกิดจากความคิดพิจารณาของเรามันไม่มีกําลังพอที่จะไปต่อสู้กับกิเลสไปหยุดกิเลสได้ เพราะมันไม่มีเบรกไม่มีสมาธิสมาธินี้เป็นตัวเบรกเบรกทุกอย่างภายในจิตให้หยุดมดเบรกเวทนาสัญญาสังขารวิงญาณให้หยุดทำงานชื่อกล่าวกิเลสอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิงญาณเป็นเครื่องมือเพราะออกมาจากออกจากอวิชชาอวิชชานี้เป็นเป็นหัวหน้าของกิเลสผู้สังการให้กิเลสทางการต่างๆ ผ่านทางสังขารอวิชชาปัญญาสัง า, าลงไปสู่ริางายลงไปสู่อายตนะลงไปสู่ตัณหาไปสู่เวทนาะไปสู่ตัณหาไปสู่อุปทานไปสู่ภาวะไปสู่ภพสู่การเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยฐานะตอนนี้ของพวกเรานี่มันเป็นเครื่องมือของเกิด ดังนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรกับด้วยขันหา้ามันก็เลยเป็นทางกิเลสเสมอเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราพิจารณาเราก็พิจารณาไปตามอํำ น, นาจของกิเลสเข้าข้างตัวเองนั่งเจ็บหน่อยก็าหาว่าทรมาร์จนทรมาร์ตนแล้วอดอาหารถือศีลแปดก็ถือว่าทําทําทรมานมากเกินไปแล้วพระพุทธเจ้าอยทึงสี่สิบเก้าวัน อย่างนั้นอะถึงได้กว่าเกินไปเพราะพุทธยาวุสองรู้ว่าเกินไปถึงได้กลับมาย้อนกลับมารับประทานอาหารแต่พวกเราเนี่อดอาหารแค่มื้อเดียวสองมื้นี้ก็ว่าทรมานแล้ทรมานตอนเกินเกินไปแล้วอย่างนี้แสดงว่าเป็นความคืบของกิเลสทันทีคนยังไม่เข้าใจนะทำไมศาสตราพูดถึงต้องทําอะไรค่อนข้างที่จะยากลำบาก ทำมันไม่ปฏิบัติแบบง่ายๆเนี่ยพอมีการมาสอนเรื่องวิธีปฏิบัติง่ายๆนี้โอ้โหตามกัรเป็นผู้นีชอบง่ายๆจะได้อะไรหรือเปล่าไม่ได้มันก็ได้แต่ความคาดคะแนนความดงเดาได้แต่ความจำมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันต้องมันต้องเลือกตาคาดคะแนนไง ที่หลวงปู่กาวท่าอนอกว่านิพพานอยู่ฟาดตายมันต้องยอมตายเนี่ยมันถึงจะมันถึงจะเอากิเลสได้ชนะเอาชนะกิเลสได้ที่เลสมันกลัวความตายอย่างเดียวพอเราทําตายเป็นเดิมพันนี่มันถอแ ย, อยถ้านนัเราไม่เอาความความตายเป็นเดิมพันนี่มันมันสู้เราเป็นเท่ได้ มันก็พูดถึงเรื่องธรรมะผู้เกิดจากการปฏิบัติกับธรรมะผู้เกิดจากการศึกษาเนี่ยมันเหมือนกันพอที่อิงได้ฟังธรรมะของผู้ที่ปฏิบัติแล้วรับปฏิบัติด้วยมันก็มันก็ถือว่าได้ครบทั้งสองส่วนคำสอนก็เป็นความจริงออกมาจากความใจที่รู้จริงเห็นจริงผู้ปฏิบัติก็เป็นใจที่จริงเป็นใจที่ที่สงบที่พร้อมที่จะรับความจริง พอความจริงมาอย่างไรก็รับได้เต็มที่ก็จะเห็นอย่างที่คนสอนเห็นพระพุทธเจะถึงรอกอัญญาณกองทะยาเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วหนอรู้ตามที่เรารู้เท่าไหร่ใช่ไหมเรารู้อย่างนี้เราพูดอย่างนี้เธอก็รู้อย่างที่เรารู้ทั้งๆเลยเลยได้ชื่อว่ารู้แล้วหนอคำว่ารู้แล้วหนอแป้ว่าอัญญาณกองทะยา ดัง น, นั้นการศึกษาเรื่องการด้รออยินได้ฟงนี้มันก็เป็นได้อสองวิธีเป็นเป็นเชิงปฏิบัติการหรือเป็นเชิงปริยัติการถ้าจิตสงบแล้วศึกษาอ่านหสือเองหรือได้ยินได้ฟังทำมันจะเป็นปฏิบัติในตัวมันจะคิดพิจารณาไปเราก็จะเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่ผู้สแสดงสอนให้เห็น ถ้ายัางอยู่ในเชิงทําการบ้านอยู่ก็จะเอาเต็มที่ได้อยู่ได้ฟังนี้ไปพิสูจน์ในขั้นอีกขั้นหนึ่งคือการปฏิบัติรอมเร้บางครั้งมันก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าทําการบ้านอยู่ก็เรายังไม่ได้เอาชีวิตเราเป็นเดิมพันเรายังปฏิบัติในที่ปลอดภัยอย่างนีน้อย่างนี้มันก็ยังว่าเหมือนกับทาการบ้านอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้เข้าสานามสอบ ถ้าเราอยากจะเข้าเทน้ำสอบเราก็ต้องไปหาที่ที่เราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมฐานวางไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะเห็นมันก็จะเป็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าตอนนี้อยู่ในเชิงทฤษฎีหรืออยู่ในเชิงปฏิบัติรู้ว่ากำลังทำการบ้านอยู่เรือว่ารู้กำลังจะเข้าห้องสอบถ้าปฏิบัติไปแบบสบายสบายแบบไม่ต้อง ไม่ต้องอาอะไรเข้ามาเป็นเดือนพันไม่เอาชีวิตหรืเอเอาความเจ็บปวดหรือเล้ามาเป็นเดิอนพันอย่างนี้มันก็ยังยังเป็นการทําการบ้านอยู่ครับถ้าจะถ้าจะาให้มันเป็นของจริงเราผ่านไม่ผ่านก็ต้องทําอย่างจริงจังอย่างทานเนี่ยขั้นต้นเนี่ยก็ต้องสละบุยถึงจะเรียกว่าจริงเราก็จะได้ก็สละหมเนีุยไม่มีอะไรติดตัวไปแนมะ้แต่ชิ้นเดียว นอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปนั้นเองครูบาอาจารย์พระทุกองที่บวชก็ไม่มีคาราอะไรติดตัวไปนะอันนั้นแหละเรียกว่าเข้าห้องสอบเข้าสนามสอบคนที่บอกว่าปฏิบัติเก่งแล้วยังเป็นคาวาวาสอยอ่างเงี้ยมันไม่มันยังไม่ได้เข้าห้องสอบอ่ะมันยังเป็นเพียงอยู่ทางการบ้างอยู่เท่านั้นเองคนที่เาอไม่ต้องไม่ต้องบวชก็ได้ปฏิบัติได้บรรลุได้ครับ มันก็มีบ้างแต่คนเหล่านั้นก็ก็เป็นกรณีพิเศษเขาอาจจะตัดของเขาได้ภายในใจแล้วเขายังมีความจำเป็นที่ยังไม่สามารถที่จะออกบมดได้เราก็าต่ดใจเขานั้นไม่ไม่ยยึดไม่ได้ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆอยู่เลยแนะ้แต่นิดเดียวสมบัติเข้าของเงินทองจะ จะสูญหายไปหรือยังไงไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้กับเขาคนที่เขาเกี่ยวข้องด้วยสามีภรรย า, าลูกพอ่อหรือแม่ตายปาไปเมื่อไหร่เป็นยังไงไม่ได้กระทบกระเทือนใจเขาไลยถ้าอย่างนั้นก็สแสดงว่าเขาก็ตัดได้แต่ถ้าเรายังกังวลกับเรื่องสองมบัติ อ, อยู่ยังกังวลกับเรื่องคนนั่นงคนนี้อยู่เราก็คิดว่าเราตัดได้นะ น, นี่มันก็เป็นการบอกตัวเราเอง ดันั้นการปฏิบัติมันก็มีมีอยู่สองลักษณะลักษณะแบบทำการบ้านแล้วลักษณะที่เข้าห้องสอบส่วนการเรียนก็เรียนอยู่สองลักษณะเ ร, เรีย น, ย เ, รยนรรเรียนได้ความจำแล้รียได้ได้ความจริงถ้าเรียนได้ความจริงก็ต้องจิตที่จิตต้องมีความสงบพอจิตสงบแล้วลัวนตาก็ลันตาก็จะใส เวลาอ่านเรื่องความจริงก็จะเห็นความจริงจะไม่ได้เห็นเป็นไปตามจินตนาการแต่ถ้าใจไม่สงบอ่านแล้วรูกฟังแล้วมันก็จะจินตนาการไปตามความรู้สึกนึกคิดของของกิเลส ท, ที่ยังครอบงำหลังฐานความคิดรุงแต่งของเราอยู่ยนันก็วันนี้ก็เลยอธิบายให้ฟังแบบให้ทราบว่าเรื่องของ ปริญญาตปฏิบัติและปฏิเวณนี้เป็นอย่างไรบางคนคิดว่าอ่าแล้วไ ด, ได้ได้ฟังเข้าใจแล้วก็คิดว่าบรรลุแล้วก็มีบางคนบนรรลุจริงๆก็มีถ้าจิตเขาสงบก็มีฐานของสมาธิอยู่แล้วแล้วเขาบรรลุจริงๆอย่างนั้นก็มีแตคนส่วนให ญ, ญ่ถ้าบรรลุจริงๆแล้วเขาก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาอย่างแน่นอน แต่ถ้าบารรลุแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังดูหนังฟังเพลยงยังชอบกินรุ่นกินนี่ยังชอบเดินอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่รู้บรรลุตรงไหนนะฮะคนสญายถ้าเขาบารรลุเงียแล้วเขาก็เขาก็อุบดกันนพวกที่ฟังเทศฟังธรรมหลวงเจ้ า, จาพอบรรลุปักก็ขอบวดกันนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวบานหรือนักบวชในัที่อื่น มันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทงานกับเพศของขารวามันเป็นกองทุกข์แท้ๆเมื่อเขาออกจากกองทุกข์ออกจากกองไฟแล้วทาไมเขาจยังจะไปกอดรัดอยู่กองไฟอยู่ทำไมเขาก็ต้องออกกันทั้งนั้นแต่พวกที่ยังเป็นคารวาสอยู่แล้วคิดก่าตัวเองมารูนี่ก็ไม่รู้ว่าคำมรรู้จรงิงปะเหมือนก็มีข้อที่ทำให้สงสัยยาก ก็ถึงมีเรื่องของคนบางคนที่เขาเป็นคาววาสแล้วเขาคิดว่าเขาบรรลแล้วแล้วเขาก็มีสามารถสั่งสอนเพื่อนปฏิบัติธรรมได้ในระดับหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาบรรลุแต่เขาไม่สามารถที่จะสอนคนในวงกว้างได้เขาก็เลยคิดว่าการที่จะสอนคนในวงกว้างได้ต้องบวชเขาก็เลยบวชแต่เขาบวชนี่เพื่อไม่ได้ศึกษาปฏิบัติ ตามธรรมวินะัเขาบวชเพื่อที่จะเอาผ้าเหลืองมาเป็นเครื่องมือให้คนเกิดจัทธาแล้วก็สั่งจะได้เชื่อฟังเขาเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นรู้แล้ ว, เ ข, วเขาอยากจะเป็นครูอยากเป็นอาจารย์พอบวชปัาบเขาก็ตั้งสำนักเป็นเจ้าสำนักแล้วก็สั่งสอนคนอื่นทันทีเลยไม่ต้องศึกษาอยู่ภายใต้ครูบาอาจารย์หปัญาตามพระธรรมวินัย ไม่รู้จักกฎปติกาการปฏิบัติของพระปฏิบัติท่าปฏิบัติกันยังไงทุอย่า ง, <ท>างถือว่าไม่สําคัญหบินธรรมดาก็ไม่สําคัญทุ่งดอกคาราก็ไม่สําคัญเพราะบรรลุแล้วเนี่ยถ้าถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติอะไรบวดก็เพื่อที่จะสั่งสอนคนอื่นให้นั้นเองค <ขอ S 1> วามจริงควร<ว>ที่บรรลุจริงๆนี้ไม่ต้องบวดก็ได้ถ้าสอนความจริงให้ใครฟังถ้าก็าฟังแล้วเขาเขาเอาไป กรณีแบบเรา ไ, ได้ผลเขาก็เขาก็จะเขาก็จะศรัทธาอยู่ดีไม่จําเป็นจะต้องอะไรในอย่างคนที่ไม่รู้ละก็ไม่รู้จักจะอยากไปสอนใครพระพุทธเจ้าต่ไสรู้แล้วก็ไม่อยากจะสอนใครแต่คนที่อยากจะสอนเนี่ยมันมันเป็นอิวรณ์คำวาอยากจะสอนเนมันก็บอกมันเป็นตัณหาภาวะตัณหาอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะเป็นครูอยากจะมีโลกเสียดโลกหา ว ร, ริษัทบริวารมันติเลตมันมันหลังกลมขนาดไหนฉะนั้นร่างกายคิดตั้งตนเป็นอาจารย์ก็ถามตัวเองดูก่อนก็มีอยู่เยอะคา่ า, าวาสญาณโยมที่เป็นครูเป็นอาจารย์หนึ่ง <c oughs> หรวพวกที่บวกปั๊บก็เป็นอาจารย์กันเลย <c oughs> แล้วเป็นยังไงก็เป็นปัญหาตามมา เพราะฉนการปฏิบัติมันต้องมันต้องรู้จรงเห็นจริงแล้วก็ทําจริงจริงด้วยทานก็สละก็สละอย่างจริงๆถึงก็ต้องบอยเกิดอย่างจริงจงสมาธิก็ต้องสงบจริงจริงปัญญาก็ต้องตัดเฉลยได้างจริงจริถ้าเป็นเพียงแต่เชื่อเหมือนมันยังทําไม่ได้ทานทานก็ยัง ยังหวงสมบัตยังโลกสมบัตอย่ยังอยากไปได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นผู้ที่สลับเรื่องราวเรื่องไหนเรื่องทางเรื่องสมบัตต่างๆ<ม>นั่นก็ก็ต้องดูดูใจเราดีลใจเรานี่แหละเป็นสนามรบของธรรมและกิเลสใจเป็นที่ตั้งของความสุขและความทุกข์ ถ้าธรรมมี ก, มากําลัง ม, ม, ม, มากกว่ากิเลสความสงบความสบก็จะเกิดขึ้นถ้ากิเลสมีอานาจมากกว่าธรรมความรู่นร้อยจิตใจความฟุ้งซ้านความกระวนกระวายก็จะเกิดขึ้นในช่วงปฏิบัตินี่มันจะผัดกัแนแล้วักันนุ่มือนก็ถ้าธรรมะในบางช่วงมีกําลังมากกว่าความสงบก็จะเกิดขึ้นบางช่วงกิเลสมีกําลังมากกว่า ความรุ่มร้อใจไปเกิดขึ้นงั้นเราไม่ต้องวองที่หน้าขอให้เรามองที่ใจถึงแม้ว่าส่วนอื่นจะเป็นเป็นชนวนที่จะทําให้เกิดความความรุ่มร้อนใจขึ้นมาเวลาเราแก้ปัญหาเราก็ต้องแก้ที่ใจไม่ได้ไปแก้ภายนอกเช่นคนอื่นเราพูดไม่ดีแล้วทําให้ใจของเราโกรธขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ต้องไปแก้ที่เขา ไม่ทำให้เขาร้องเขาให้เขาพูดดีๆหรือทำดีๆเราปล่อยวางเขาเราต้องปล่อยวางเขาพอเราปล่อยวางเขาก็เท่ากับเรามาแกที่ใจเราเพราะใจเราไม่ยอมปล่อยใจเราอยากจะให้เขาพูดดีกับเราทำดีกับเราพอมีความอยากก็ต้องออกไปพูดพูดกับเขาขอร้องเขาหรืออไย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาให้ ให้เขาทําดีกับเราพวก ด, ดีกับเราถ้าเขาทําเราก็ดีใจไปเชื่อขนาดนี้แล้วพอเขาไม่ดีเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเรามากล้าที่จะยอมรับว่าดีก็ไน้าชั่วก็ได้มันเป็นเรื่องของเขาเราเป็นควบคุมบงังคับเขาไม่ได้แต่เราควบคุมใจของเราได้เราควบคุมใจของเราให้ปล่อยวางให้ได้ให้ยอมรับความจริงให้ได้ ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอ น, นิจจังทุกขังนาาัฏจาเปลี่ยนแปลงได้ดีได้เดี๋ยวก็ชั่วได้สมได้เดี๋ยวก็ทุกข์ได้ยอมรับทั้งสองส่วนพอยอมรับทั้งสองส่วนมันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นสมหวังก็ได้ผิดหวังก็ได้จอยากจะได้อะไรไม่ได้ก็ไม่เสียใจ ได้ก็ไม่ได้ดีใจแต่ถ้าไม่อยากเลยมันก็จะไม่มีความดีใจหรือเสียใจแต่ถ้าอยากเวลามันอยาก เ, าเวลาน่ามันึก็ดีใจเวลาไม่ได้มันก็จะเสียใจเพราะฉะ้นต้องมาแก้ที่ใจเกิดแก ค, ความอยากอยากไปอยากถ้ายินดีตามดีตามถึงมาเรืนก็ได้อย่้มันก็จะเป็นการแก้ตรงนั ให้แก้พันใจเราทำใจของเราให้อิ่มทําใจของเราให้พอพอด้วยความสมุบด้วยสมาธิพอจิตสงบแล้วมันก็จะไม่เหวีไม่อยากอะไรพอไม่สงบแล้วกิเกสอวิชามันก็จะปรงแต่ความคิดเป็นแต่งขึง้นมาให้ให้เห็นว่าอ้นั่นกะดีอ้นี่ก็ดีอ้นี้ก็สวยพอเห็นว่าดีว่าสวยก็อยากก็ได้ามาทันที ในเคยิดเลยว่าได้แล้วมันทาให้ความความทุกข์ายไปตลอดหรือเปล่าทำให้ความสุขอยู่ไปตลอดหรือเปล่ามันก็เหมือนเดิมได้มาแล้วเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมเคยทุกข์อย่างไรก็ยังทุกข์อย่นั้นอ ย, ยอยากได้อะไรก็ยังอยากได้อยู่ถ้าอยากจะได้อะไรขอให้ได้มาแล้วมันทำให้เราอิ่มให้เราพอไปตลอดให้ความทุกข์ายไปตลอดควรจะอยากจะได้อย่างนีง ก็มีธรมรมนะเท่านั้นที่จะให้ความสุขของเราได้ตลอดแล้วก็ให้ความทุกขห์หายไปได้ตลอดท mm hmm. ่านถึงท่านถึงตอบแนละ้วว่าความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงถ้าจะยินดีอะไรก็ให้ยินดีกับธรรมะ mm hmm. ยินดีกับ mm hmm. การทำใจให้สงบด้วยทางด้วยศีลด้วภาวนาเ mm hmm. อย่าเอาแต่ภาวนาแต่ทางไม่ยอมทำ ยังเสียดายสมบัติเข้าของเงินทองอยู่แล้วคิดว่ภาวนาแล้วแต่ได้ผลยังไม่ไดทางพอภาวนาอยจะได้ผลมันต้อง todos, มันต้องผ่านขัานทางผ่านขื้นเมื่อก่อนมันถึงจะสงบอย่างอย่างอย่างเต็มที่ถ้าจิตใจยังโหยสมบัติยังหวงสมบัติอยู่ภาวนาอยงมันไม่ได้ทางลงได้ถ้าจิตใจยังทำบาปทากรรมอยู่มันยัง มันยังกับกวนก歪กับสับกส่ายมันก็จะไม่มีทางหนุนไะด้นตถ้าทางสละเป็นที่อะไรอย่างเพระพาะไม่จะสร้างเรารู้ว่าอยู่ในวังันไม่มีทางที่จะที่จะสงกได้อย่างเป็นที่ก็ต้องออกจากวังไปแล้วก็ไปรักษาสีให้บริสุทธิไม่ไปไม่ทําไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำผิดศีลข้อใดข้อหนี้ เราก็สร้างานต่ลางตาควบคุมจิตใจด้วยสติไม่ให้คิดงแต่างเ่วงราวต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับการเบิกําพุทธโธอยู่กับการพิจารณาทำก็ได้เช่นอาการสามสิสงผมก่อนแรกปันนั้นเมื่อเอ็งกระดวนนี่เป็นกรรมฐานที่สามารถเป็นตัวทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ กรรมฐานก็มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องยืดเหนี่วจิตใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งแล้วก็เดินใจให้เข้าสู่ความสงบได้บรรดากรรมฐานทั้งสี่สิบนี้นนก็มีกรรมฐานบางส่วนที่เป็นเป็นทั้งสมถะและเป็นทั้งวิปสัสสนาอาจะว่าเป็นปัญญาได้ด้วย บางอย่างก็เป็นเพียงแต่สมาธิอย่างเดียวเช่นการบริกรรมพุโทโธนี่จะเป็นแค่ได้เพียงอย่างเดียวคือได้ความสงบคือสมาธิจะไม่เห็นใจนะจะไม่เป็นปัญญาแต่ถ้าพิจารณาอาการการสูงร่าการนี้มันจะเห็นสุภาพเห็นความไม่สวยแ น, น่งามซึ่งก็เป็นปัญญาที่จะบรรดาลราคะปัญห า, า, าได้ถ้าใช้กรรมฐานบางชนิดก็ะจะเหมือนกัน ยินกทีเดียวยิยงกระสุนัดเดียวแล้วได้นกสองตัวถ้าคนที่ถนัด ก, กับการจเจริญวานรสติพิโรนี้หรือพิจารณาอสุภะอย่างนี้ จ, นนจะจะได้ทั้งสองอย่างไล่กันไปเลยได้สมรรถภาพแล้วก็จะได้พิารณาไปด้วยการพิจารณาความตาอยู่เรีเรื่อยๆพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลของร่างกายพอจิตสงบบ้างมอนก็ มันก็จะดับราคะปัญหาไปได้ด้วยในขนาเดีย hmm. วกับเพราะทุกครั้งเวลาราคะจะเกิดขึ้นไอตัวนี้ก็จะเข้ามาระลับได้ทันท mm ีพ hmm. อเห็นว่าสวยปับเห็นว่าหอ่อปับก็ดูเข้าไปทะลุเข้าไปใต้ผิวหนัง mm hmm. มันก็จะดับได้ทันท mm ี hmm. ถ้ามันคุณ ม, ม, ม, มันมีความเห็นนี้อยู่ตลอดเวลาจะมันจะมีความระลักจะมีราคะเกิดขึ้นมาได้ ไม่เห็นแต่กองสุขปกนี้เห็นสิงสุกป่งอยตลอดเวลาสิงที่น่าเกลีน่าขยะขยะอยู่ตลอดเวลา น, า น, นา ล, ล, าล้มันจะเกิดความท่ายขึ้นมาได้อย่างไรมนเกิดไม่ได้เหมือนกับเรากิยาถ้ามียาคุมคุมเชื่อโรคไม่ได้เชื่อโรคมันก็ไม่ไม่ได้กลับเลยย่างสมนนที่โลกโลกเอกนี่เป็นต้นเมื่อก่อนนี้ไม่มียาคุม มีแต่ตายตายภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนแต่ในนี้นอยู่ไปได้ตลอดถ้ามียาคุมอยู่แต่รักษาไม่หายถึงแม้จะรักษาไม่หายก็างายแต่ถ้ามียาคุมมันอยู่มันก็ยังยังไม่สามารถเชื่อโรอก็ไม่สามารถที่จะไปทาให้ร่างกายตายได้ปัญญาก็เป็น่างนี้ปัญญาก็จะคุมเยอะจะตัเกเล็ หายหกดไปเราเกลียด ห, หมดไปแล้ก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปถ้าถ้ามันจะเกิดขึ้นมื่อไหมันก็สามารถปัญญาก็จะกลับขึ้นมา ท, าทันทีปัญญานี้เมื่อมันเป็นปัญญาในจิตเนาะมันจะไม่หายไปจากจิต ม, มันเป็นความจริงเนียเมื่อก่อนมันเป็นความหลงเห็นว่าสวยเห็นมากงานว่าเห็นเพียงเครื่องเดียวเห็นภายนอก อย่างนี้มันเห็นทะลุโปร่งไปหมดทั้งทั้งในทั้งทั้งนอกทั้งส่วนที่สวยและส่วนที่ไม่สวยส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาดมันเห็นหมดตลอดตลอดทุกเวลาถ้าต้องการเรียกขึ้นมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่มีความจำเป็นมันก็ไม่ได้อยู่มันก็ไม่ได้คิดถึงปฏิกริยามัไม่ได้คิดถึงอสรับมันก็ดูอนตามธรรมดาอย่างนันก็ไม่มีอารมณ์เหมือนคณะ ที่เราสวยย่วนใหญ่ดู่คนเราก็ดูแบบธรรมดาก็ไม่มีอารมณ์แต่พอเพลาพอที่เรามันแวบมาว่มาแลา้วมันก็จะว่างสวยว่างงามขึ้นมามันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะนั้นก็ถ้ามีปัญญามีปฏิบูลณ์มีอสุภะมันกมน็มันก็จะแบบได้แต่ถ้าไม่เคยพิจารณามาก่อนไม่เคยดูมาก่อ น, ม, น, ม, อน ม, ม, มันก็ไม่มีเครื่องมือไม่มียาเหมือนกับไม่มียาพิจารณามามากรรมฐาน เชื่อโรค ก, กำลังราคาปัญาความไข้พอไม่มีมันก็ยิ่งตรงแต่งได้ดจิตใจเมืกอคิดแต่ภาพสวยๆา ง, งามๆจนต้องไปแต่งงานแต่งการเป็นแบบกองทุกข์ขึ้นมาสองสามกองไดสามีได้ภรรยาแล้วก็ได้ลูกเป็นของแท้มากยแล้วก็ได้หลานต้างเลย ใครวิ่าายยยงยามนานก็มีแลงนี่ <c oughs> เป็นทวงไ <c oughs> ่วงนั้นเงินทวงไงร้องเัินเงินทวงก <c oughs> ็จากการที่ไม่เห็นอสุภะท่านนี้ไม่เห็นปฏิกูลทั้คนที่จเจริญแต่สมถะอย่างเดียวนี่ยังดับค่ะยังยังดับอสุภาไ อ, อยังดับความไข้เลยไง ที่มีสมาธิก็ยังมีครอบครัวันธนัยังอยากมีครอบครัวยังอยากมีสามีอยากมีภรรยาะเจ้ลิศรนักบวชท่านอาจาย์วันแรกให้พิจารณากรรมฐานห้ากอนเลยคนทุกคนที่มาบวชนี้จะต้องท่องใจสาโลมามะขารันตาตะโจทั้งอัมฤโลมัตติโลผงขอนเล็ดฟันเนือทั้งฟันเล็ขมต่อ ตระเจ้รงสอนว่าต้องอาเรืงไปจำเรนอยู่ตลอดเวลาโดยกานต้อง ใ, ให้เรียนแค่5้าข้อไปก่อนเพราะเวลาอยู่เวลาบวช น, นี่มันไม่มีเวลาที่จะสอนถึงสามสองข้อก็ให้สอนเป็นเป็นอือนกับเป็นยาวทางเมื่อย้งหน้าก่อนแต่ความหมายก็คือให้พิจารณาทั้งสามสองเมื่อ บ, บวชแล้วก็ขยายความต่อไปจากผมกดเลกฟังหนังก็เข้าไปเนื้อเอ็นกะดู เยื่อในกระดูกปลอดภัยความเกิดตาหัวใจมากน้ำใต้น้อยใต้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีจะนั่งดีนั่งเฉลยนั่งเหลือนังเลือกนั่งเหนือยน้ำมันก้นน้ำตาน้ำลายน้ำลูกน้ำไขยข้อแล้วก็ให้ย้อนกลับมาเข้าไปกับเป็นุือลมแล้พิจารณา้อนถายแล้งออกมาก็เป็นปฏิวัให้ดูอย่างนี้ไปเรื่อย เจนข้างมันเป็นภาพเห็นขึ้นมาในจิตในใจถ้าไม่เห็นภาพก็ไปดูของจริงไปดูตามป่ชาช้าสมัยก่อนอก็ไปดูที่ป่ชาช้าหรืสมัยนี้ก็ไปดูที่เกามีสถานที่สอนนักศึกษาทางการแพทย์ก็ไปไปดูเขาผ่าสพแต่วันนี้ก็จะเอาดีๆผ่าศพมาวันนี้ได้ได้มา เป็นของประหลังเขาก็เขาผ่าผ่าร่างกายของคนที่ดองแล้วสอนนักศึกษาแพทย์พอดีมันคนที่ให้ต่อไปก็ปี้เขาก็ปี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมันเป็นแผ่นที่มั น, มนเพมือนกัว่ามันมันไม่มีไฟล์ลงตัวแล้วก็แผ่นที่ให้ไปอาจจะก็ปี้ไม่สมบูรณ์เขาลเลยาไปก็ปี้ไม่ได้เดี๋ยวจะลองทำดูใหม ถ้าได้มาเราเกิดใครอยากจะได้ก็ต้องขอเพราะว่า น, นี้ไม่ไม่เหมาะกับบุคคลทั่วไปถ้าคนยังรักสวยรากงานหรือมันจะหาว่ายิดตะพัน <c oughs> <c oughs> แต่มันจะสอยกับเครื่องเล่นดีๆปกติไม่ได้มันต้องเปิดกับเครื่องความเราต้องเข้าไปคลิกที่ไฟล์ของมันแล้วสั่งให้มันต่อยด้วยด้วยโปรแกรมหนบโปรแกรม มันจะไม่เป็นแบบอัตโนมัติเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาเองแต่ต้องเปิดได้เพรเราลองเปิดเลยนะพอดีได้ได้ได้ได้ไฟล์มาไม่ครอบคนที่เขาเขาเขาคัดตัวมาเข้าคัดตัวแต่ไฟล์ที่ที่จําเป็นไฟล์ที่เป็นเป็นเป็นพวกเมนูเป็นพวกตัวตัวเปิดไฟล์ทีมันก็ไม่ได้เก็บมาด้วย แต่ส่วนใหญ่ท่านจะสอนเรื่องนี้กับนักบูชกันมากกว่าเพราะว่านักบวชนี่ท่านออกจากเพศครองเรือนแะล้วแต่พระญาติโยงนี้น่กจะไม่ค่อยสอนเรื่องราวนี้นอกจากญาตยโยมที่เป็นนักปฏิบัตินักภาวนาก็ถือว่าเป็นเหมือนหมือนเหมือนนักบวแล้วสังเกตอยู่เวลาท่านสอนคารวะกับพระนี้จะสอนต่างกัน พราะว่าจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอสุภะเท่าไรเรื่องความตาจริงก็ไม่ค่อยพูดเทะะ่าไรเพราะว่าจิตของคาราะมันเป็นหนังเด็กเยอะแม้ดูหนังผีหนังลุนแรงมีการฆ่ากันนี่ยดูแล้วใจมันจะตลอดหดหู่ถ้าจะสอนเรื่องเรื่องการทำบุญให้ทานเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของศรัทธาถ้าพอสอนเรื่องพระแล้วสอนกับพระแล้วฉันจะสอนแต่เรื่องแบบนี้น ท่านจึงไม่นิยมที่จะสอนรวมกันคารวะกับพระเนี่ยท่านยอนแยกสอนเพราะพระเจ้าก็แยกตอนตอนตอนหลายก็สอนแากโยมคารวะแากเองตอนข้ามก็สอนพระตอนเดือดก็สอนเกตระดา<ม>เพราะว่าระดับจิตของแต่ละกลุ่มนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยความต้องการอาหารคือธรรมนี้ ไม่เหมือนกันกลุ่มของเขาว่าจะมีขวดนมให้นอกินก่อนกินนมก่อนอลี้ยนเคี้ยวไม่ได้ไม่มีฟันถ้าอย่างนี้ผักไปก็กินไม่ได้ส่วนข้านี่เหมือนคนอตแล้วคนที่ใหญ่ ได้กลาวว่างานบุญข้าประทายนี้เลื่อนไปเป็นเดนะือนหน้าแล้วเนอาทิตย์หน้าที่20ครับตอนต้นจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนทะี่23งากบุญชอบ่านี้กันชอบอ ง, งานงานดีองนี้กันทนี่นมีคนเยอะๆชอบ ถ้าต้องอยู่คนเดียววิเวกน้เขาชอบไปนะถกาเป็นนักแสวงบนก็ต้องไปที่มีครูบาอาจารย์มีการครังมีการสอ น, ม, อนมีการทำบุญแต่ถ้าเป็นนักภนะาวนาก็จะไปหาที่วิเวกเองที่สมกสงัดอยู่อาจจะมีครูบาอาจารย์ด้วยอยู่ด้วยแต่เป็นที่ที่สงบสงัด ไม่มีอนมาพบกว้างเพราะการภาว น, น, นานเนี่ ย, ม, ม, ยมันต้องการที่จะสํารวจมีดีนั่นเองระมตาหูจมูกเล่นกายหรือต้องการปิดทวารทั้งห้านี้ไม่ต้องการที่จะรับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่ น, นรสโผฏฐัพพะเพราะเวลารับรู้แล้วมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดการมตหิหาขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่ น, นรสโผฏฐัพพะ เรเสกนั่นเหมือนก็ทําให้จิตใจไม่สงบนเวลาอยากจะเสกก็ไม่สงบเพรเพราะได้นนเวลาไปเสกก็ต้องเสียเวลาไปหาสิ่งที่เราต้องการเสกเสกแล้วก็สงกเพียงไม่กี่ไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วอยากจะเสกแล้ววันทั้งวันก็เลยมานัวแต่เสกเรื่องรูปเสียงกี่น้อย ก็เราไม่มีทางที่จะทําให้จิตสงบได้ถ้าเป็นน้ําก็มีคนคอยตักน้ําอยู่เรื่อยๆน้ํามันก็ไม่มีโอกาสที่จะเนื่องได้จิตของเราถ้ายังต้องทำํทำนู่นทํานี่เพื่อเพื่อเพื่อจะได้เสพรูปเสียงกิ่นลดปดสะพานมันก็วนมาอยู่กับเรื่องแบบนี้ชีวิตของฆรวาวาสก็วนอยู่เรื่องเรื่องเรื่องรูปเสียงกิ่นพวกนี้ ออกไปทามาหากินเพื่อจะได้มีรายได้มาชื่อลูกเสียงเก่งมาในในรูปแบบต่างๆทีนี้ก็วงเวียนอยู่กับเรื่องของการเสยการมโอกาสที่จะทำจิตใจให้สงบนี้ไม่ค่อยมีนอกจากก่อนที่เรื่องเบื่อเรื่องลูกเสียงเก่งมวแล้วก็จะ ศึกษาหาหาสิ่งอื่นมาทดแทน<ม>ก็จะสนใจการภาวนา<ม>ก็จะลดละเรื่องการนาความสุขทางตาหูจมูกเลกายก็จะมีเวลานั่งสมาธิมีเวลาภาวนาแล้วถ้าพอภนะาวนาแล้วเห็นผลขึ้นมาว่าว่ามันดีกว่าความสุขทางตาหูจมูกเป็นกายทีนี้ก็จะมีกำลังจิตกำลังใจ มีฌานท่ามีวิรยะมีความพยายามจะจะปฏิบัติมากขึ้นทีนี้ก็จะคิดถึงไปไปตามวัดนะนหาที่สงบในตำแหน่ที่มีการปฏิบัติแล้วพอพอสงบมากขึ้นทล้วหลังนี้ก็ไม่อยากจะไปหาที่สงบมากของนั้นตองต้งก็อาจจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นสองสามคน ต่อไปก็อาจจะไปคนเดียวเราไปหาวัดที่ไม่มีการปฏิบัติที่เป็นแบบเป็นกลุ่มคือไปอยู่ตามวัดที่ปล่อยให้เราสามคนต่างภาวนากันไปเวลาใหม่ๆไปที่จะไปเข้าเข้าหลักสูตรก่อนมีคนคอยสอนให้ตื่นเวลานั้นให้เดินจงกรมให้ไหว้พระสวดมนต์ให้เมินใ ห, ใ ห, ใหเจริญสติทำเป็นกลุ่มไปก่อน แต่พอจิตร่าสงบมากเท่าไรแล้วมันก็จะรู้ว่าอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นมากเท่าไหรมันก็จะลองขานใจเหมือนจะล็อกควรใจมันจะทําให้เกิดดิวรันขึ้นมาก็จะไปหาที่สงบที่ทิเว่ย์อยู่คนเดียวถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าก้าวหน้าการภาวนาจะรีนก้าวน้า การปฏิบัติของเราเราก็ต้องวางวางแผงไนไว้หนึกันเหมือนกับทางโลกบริษัทต่างๆเขาก็มีการวางแผนว่าปีนี้จะก้าวไปถึงตรงไหนเป็ น, นปีนี้เราต้องทายอดให้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากยอดของปีที่แล้วปีที่แล้วเราทำได้สิบล้านปีนี้เราจะทาเป็นสิบห้าล้านก็ต้องมีแผนมีการวางวางกำหนด แผนการว่าจะทำยังไงถ้าทำเหมือนเดิมมันก็จะได้สิบล้านจะทำให้ได้สิห้าล้านมันก็ต้องย่างคนมาเพิ่มต้องซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเพื่อที่จะได้ขยายบริษัทขยายกิจการจะได้มีรายได้มาเพิ่มาเพิ่มเติมเวกเราน้าปฏิบัติก็ต้องมีการวางแผนวางเป็นขั้นเป็นตอนปีนี้ต้องได้อย่างนี้ ปีต่อไปก็ต้องได้อย่างนี้ต้องด้านอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เห็นก็เราเนี่ยมีเข้าสู่ปีที่ห้าแนละ้วเนี่ยเราต้องลองย้อนกลับไปที่ปีที่หนึ่งว่าเราก้าวไปถึงไหนนะด้วยยังเ ห, เหมือนเดิมอยู่เราเหมือนเดิมอยู่นี่ก็เสียเวลาไปต้องเกือบห้าปีไม่ได้ก้าวไปไหนเลยถ้าอย่างน้อยเราตัดอะไรภายนอกได้ตัดเรื่องในงเรื่องทางด้าน เงินหายไปก็ไม่เสียดายไม่เสียใจหลมีภรรยาตายไปก็ไม่ร้องโหมน้องไ ห, งห้ไม่เศร้าโศกเสียใจลูกตายไปก็ไม่เดือดน้องอะไรอย่างนี้มันถึงจะถือว่าเราได้พัฒนาก้าวหน้าต้องต้องต้องวางแผนแล้วจะได้เดินไปถึงเป้าหมายที่เาวังไว้ถ้าเราไม่วางแผนเลยมันก็จะ ทำแบบสบายสบายเพราะมันเป็นนิสยัยของเราอยู่แล้วที่ชอบทําอะไรแบบสบายสบายไม่ชอบทรมาร์ตไปเลยไม่ชอบทํางานตัวเราเองเราต้องทรมาร์ตตันีนี้เราจะเตะถีนแต่แค่กี่วันนะห้าสิบหกห้าสิบห้าห้าสิบหกวันก็หมายถึงอทาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือร้อยสิบวันก็หมายถึงอาทิตย์ละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อง ต้องกำหนดอันนี้เป็นเหตุถ้าเรากำหนดเหตุได้เดียวผลหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาก็าจิตใจนี้เราเข้มแข็งขึ้นอนี้เราอดท้อยังได้ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกท้อมานใจเมื่อก่อนนี้อดไม่ได้อดแล้รู้สึกทอ้อลมานใจแต่ดาวหัวใจของเราไม่เข้มแข็งสู้กิเลสไม่ได้ความละมา่นใจนี้มันเกิดจากกิเลสคเกิดจากการหาความอยากกินอาหารในยามค่ำคืน เราก็ต้องกําหนดเนี่ยเจ้าของการปฏิบัติของเราว่าจะเพิ่มขึ้นไปจะทรมาร์กิเลตมากขึ้นมากน้อยเพียงไรในแต่ละท่านในแต่ละตอนท่านตอนก็ถือศีลห้าก่อนศีลห้าแล้วรับศีลศีนีปดอาทิรยะครั้งหน้าตอบไปก็อาทิตย์ัะสามครั้งสองครั้งหน้าต่อไปก็ถือศีแลแปดไปตลอดการนั่งสมาธิเดินโยงกรมในแต่ละวันก็ จะเพิ่มมากขึ้นเพ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงส่วนเรื่องของการสำรวจมินสีตาหนีู้กเนี้องารก็ต้องเพิ่มมากขึ้นไป mm hmm. เคยเดื่ม mm hmm. เคยรับประทานของอะไรจุดเกียที่ไม่จําเป็นก็ไม่รับประทานถ้าจะรับประทานก็้รับประทานในพร้อม ก, กันกับอาหาร mm hmm. ในระหว่างนี้นก็ไม่เอาอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม mm hmm. ที่มีรส มีกลิ่นมีสีหรือขนมนมอะไรอะไรต่างๆเอาแต่น้ำน้ำเดือดอย่างเดียว น, น้ำเปลาอย่างเดียวมันี่เป็นเหตุ mm hmm. ที่จะทำ mm hmm. มาผลที่ดีที่จะทําให้จิตของเรานีมีพลังมากขึ้นมีกําลังที่จะหลับเกลี่ยได้มากขึ้น mm hmm. เราต้องกําหนดเตรงนี้ถ้าไม่กําหนดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะก้าวขึ้นไปได้ เหมือนเดินขึ้นบันไดเนี่ยวันนี้เราจะขึ้นกี่ชั้นขึ้นกี่ชั้นขึ้นสองชั้นวันนี้เราขึ้นสามชั้นขึ้นสี่ชั้นก็วางไปนั่นเต้าเอาไว้เราจะได้ปฏิบัติไปตามที่เราวางไว้เราไม่ต้องเต้าบ้างเราไม่ต้องตั้งให้มันสูงมากจนเราไม่สามารถทําได้เราตั้งสูงเกินไปมันทําไม่ได้มันก็ท้อแล้วมันก็เลิกทํำมันก็ผ่านไปเลยงั้นเราไม่ทํา เราทำเท่าที่เราคิดว่าเราพอจะทําได้เพิ่มขึ้นอีกทีละท่านสองขั้นนี้ทำไม่จะทําได้ลเพิ่มขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงนี้มันเพิ่มไม่ได้ลดละเครื่องดื่มให้มันน้อยลงไปขนมให้มันน้อยลงไปนี้ทำไม่จะทําได้แล้วค่อยๆทาไปต่อไป ม, มันก็จะทำได้พอเราลด ล, ล, ลงไปทำรูปเนินสีได้มากเท่าไหร่จิตก็จะสงบง่ายง่ายขึ้น พอจิตสงบมากขึ้นลแล้วมันยิ่งมีพลังที่จะลดะละได้มากขึ้นไปมันมันสนับสนุนซึ่งกันและกันการเสริสมสร้างคุณจะทำนับกับการทำนนักกิเลสนี่มันต้องทําไปพร้อมๆกันไม่ใช่จะจะเสริมแต่ทำนับกิเลสก็ไม่อยอมลดมันต้องต้องลดทั้งทางกิเลสหรือทางกามรมาตัญหาเนี่ยสำรวมเป็นสีตาหูจมูกลิ้นก อย่าไปดูอย่าไปฟังในเรื่องที่ไร้สาระที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์จะฟังก็ฟังธรรมะจะดูก็ดูหนังสือธรรมะอย่านีต้องอยาไปดูหนังสือเกี่ยวกับทางโลกนอกจากมันเป็นหน้าที่การงานของเราแล้วก็ดูไปเป็นวิชาการแต่ถ้าดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสุขใจแล้วก็อยากไปดู มันไม่ใช่เป็นนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราทําอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่ามันต้องเจริญก้าวหน้านเรี๋ยวไม่มีใครทําให้เราได้นะเราต้องทําเองไม่มีใครคิดแทนเราได้เราต้องคิดเองไม่มีใครวางแผนให้เราได้เราต้องวางแผนมาเอง เราแต่ละคนจะดึงกําลังของตัเองว่าทําได้มากน้อยเพียงไรกูราอาจารย์ท่านยังไม่ได้บงัาางคับพระเนยว่าจะต้องให้นั่งสมาธิบางนาที่ชั่วโมงเดินจงกรมบางนีทีชั่วโมงท่านเพีเยงแต่นอนเป็นกลางๆว่าทําได้มากเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ามากเจริญสติให้ามากลดละเรื่องภายนอกให้มาก อยากไปยุ่งอยากไปเกี่ยวกับภา ร, รกิจการงานที่ไม่เลยไม่ได้มาพัฒนาการการเจริญของจิงตใจกิจต่างๆที่ไม่จําเป็นและไม่ให้ทำสร้างโบสร้างเจดีย์สิ่งอะลรานี้ข้างเราเป็นงานอย่าบมันไม่ได้เป็นงานของสัมมณะนักบวชนักบวชต้องสร้างสรางใจสร้างพระข้นมาในใจในการเดินเดีองนั่สมาธิ จะทำปัญญานี่เป็นงานของนักบวนของนักปฏิบัติของผู้ที่มุ่งสูง่การหลุดพ้นจากการเดินไล่ตายเกิดของผู้ที่มุ่งสู่มรกผลนิพพานต้องถึงงานนี้เป็นหลักคันทะธุระคัมีปัจนาธุระคันทะก็คือการศึกษาพระธรรมคําสอนนิปสัสนานก็คือการทําให้รู้จ่าเห็นเกี่ยงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่เป็นงานหลักของพระเนี่ยงานหลักของนักบวนักปฏิบัติงานอย่างอื่นนักปราชญ์ค น, นก็ทําไปนี้ทําไปจนวังงนตายก็ไม่จบนลก็ไมด้ปลดเปลื้องความทุกข์ไม่ได้ปลดเปลื้องกิเลตัณหาทางจิใจให้เบาบางลงนไปแต่กัดจะทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปพอทำงานนี้เสร็จก็อยากจะทํางานนั่นต่อพอได้ารางวัลก็อยากจะได้ารางวัลมากขึ้น แต่เป็นเรื่องของเกลียเลยแต่แนวทางความคิดแบบนี้ในสมัยนี้ถือจะไม่ค่อยมีกันสมัยนี้ตัวใหญ่มักจะไปทําโลกกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคาลว่าก็จะไปทํานี้ทางวัตถุสร้างวัดให้สวยสวยงามสร้างชื่อดีร้อยยอดสร้างอะไรใหญ่โตๆ มันได้มันก็ได้แตกิเลสไปในใจที่มันขึ้นมากขึ้นไปเ <c oughs> พระพิทยาเยสรีาติราห็นบ้างไม่ดูว้ า, วาบารมีมาาตพุทธทางสานางังคถาวนี้ท่านทำทาสร้างวัดท่าวัดอรป่าไม่เคยสร้างเลยแม้แต่วัดเดียวท่านสร้างอะไรท่านสร้างพระอรหันต์เป็นหมื่นเป็นแสนมัย น, นี้ทํานไม่ทำตามันอื่นอ เพระมันอาวิชาปรัชญาสังขารมาเชื่อความคิดของตัวเองความคิดของตัวเองก็ความคิดของเกเรนนี่แหละมีแค่ถามหนึ่งจรถามงงจะเล่าพักบ้างคุณถามหนึ่อาจารย์ค่ะ เวลวที่ลูกปฏิบัตินะคะแล้วก็ความสงบก็รู้สึกว่ามีจิตแล้วก็คือจิตมันรู้สึกเหมือนแต่มันมันยิ้มันแล้วก็เราก็เกิดปิตินั้นาัตาไหลอย่างเงี้ยนะคะถ้าพักนึงเราเราไม่สร้างหนูทำถูกปก็คือดูก็ดู ดูจิ ต, ตว่าความสมุกที่ณขณะนั้นนะนะคือคือดูดูดเวทนานนว่าพอใจ ม, ม, ม, มีสุขแล้วก็ไม่ได้พิจารงาอะไรก็คือดูแค่นี้จนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันคลาย เหมือเราเริ่มรับรู้อะไรขึ้นนะเสียงหรืออะไรนี้แต่ไม่ราคาญแล้วหนูก็เราทําให้ถูกว่าแว่าตอกนั้นต้องทำยังไงเมื่ตอนที่ที่ทํามานี้ก็ถืออยู่แล้วคือให้ใจเป็นอิสราให้นิ่งให้สงบให้งานที่สุดถ้าที่เขาจะนิ่งได้เราก็เพียงแต่รู้จากแต่ก็รู้อยู่กับความสุขนะอยู่กับความสงกนะี้จนกว่าเขาจะออกมารับรู้ เรื่องต่างๆตางตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดเมื่อเขาเริ่มคิดแล้วตอนนั้นเนี่เราต้องดึงความคิดนั้นมาคิดในทางใจครับเช่นมาดูอสุภะก็ได้ดูความไม่สวยางามของร่างกายดูความเกิดแก่เกิดตายของร่างกายของเราและของผู้อื่นดังน้นถึงจะใช้ใช้ความคิดเป็นทางดีก็ไ้ ถ้าเราไม่มาเดินงานเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปทิพยให้เรากลับไปทํางานทําการไปกวาดบ้านถึงบ้านนึกไปมีอะไรที่เราอยากจะทําเราก็จะไปทำมันก็จะไม่ไม่ไม่เป็นปัญญาอาจารย์คะแล้วเราต้องดูความเกิดดับของไอ้ความสุขหรือไม่ต้องดูเพราะมันเกิดดับถ้าเรามีสติแล้วก็เห็นอยู่แล้วเราก็รู้อยู่โดยปริยายแล้ว รู this, ้ว่าเมื่อกีนี่ในการสุขเดี๋ยวนีความสุขนี้หากันแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจก็รู้ว่าเวลามันเปลี่ยนสภาพเมื่ออกจากห้องแอร์แล้วมันก็ร้อนเหมือนธรรมดาเวลาอยู่ในห้องแอร์มันก็เย็นก็รู้ว่ามันเย็นเวลาออกจากห้องแอร์ก็รู้ว่ามันร้อนแต่ก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่ต้องที่ต้องควรจะทําก็คือความคิดของเราเราต้องเดินความคิดของเรามาคิดในทางใจรัก ทางอนุจางทุกขงังอนัตตาเราต้องพิจรารณาร่างกายของเราว่าเกิดแก่เจใ็บตายเป็นธรรมดาพิจรารณาไปจนกระทั่งมันเกิดความกล้าหาญพร้พอมกล้าที่จะรับกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็กล้าที่จะไปพิสูจน์ตนเองว่ากล้าจริงหรือเปล่าพร่อจันคะเราก็ไม่คนกลัวผีนะคะแต่ว่าได้มีโอกาสแบบไม่ได้ตั้งใจขึ้นไปอยู่บนยอดของยอดเขาค่ะ คนเดียวแล้วก็แต่เพื่อนเขาเราอยู่คนละที่นะคะทีนี้เขามีโรงตั้งอยู่อันหนึ่งก็คือแล้วก็ถิมันจะไหลไปที่โรงตอนเดินเดินจงกรมกม็อืมกลัวมากนะคะกลัวแล้วก็เลยภาวนาะพุโทโธพุโทโธก็รู้สึกหายกลัวแต่ว่าพอสักพักหนึ่งสักตั้งแต่หกโมงเย็นพอถึงเที่ยงคืนเนี่ยขาที่เราขึ้นเขามาเจ็บแลนะ้วค่ะ เวทนามันก็เกิดนะพอเวทนาเกิดปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้กลัวลงแต่ว่าเราเริ่มปวดขาก็นึกถึงพระอาจารย์ไม่ได้รไเรียนถามไหมว่าต้องทอํายังไงถ้าทั้งปวดด้วยแล้วก็ทั้งกลัวด้วยคือ <c ười> จิตมันก็ต้องปล่อยวางทั้งสองอย่างใน<ม>การยอมปลงอนิจจังทุกข์ฐานะต่านี่เองยอมตายว่าใหญ่มากก็แค่ตายพอตายแล้วความเจ็บมันก็หมดไปความกลัวมันก็พอยอมตายความกลัวมันก็หายไป ถ้ายังยังยังยังกลัวอยากอยู่างนี้มันก็ยังจะกลัวอยู่ถ้ายังอยากใช้ความเจ็บหาปมันก็ยิ้มันก็ยังจะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเจ็บก็รู้่ามันเจ็บตายก็รู้ว่ามันตายป่านนี้เป็มไปตามความจริงตามที่เราเคยพิจเคยพิจารณามาแต่ที่แสดงว่าเรายังไม่ได้พิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมามากพอถ้าเราพิจารณามาพอแล้วพอเกิดความเจ็บมันก็บอกเอ้ยเรื่องธรรมดา เรื่อความกลัวก็ยังมากก็แทบตายมันก็ต้องตายมันก็จะมารับกันได้แล้วมันก็จะตับความกังวลใจความกลัวออกไปจากใจได้ความทุกข์ทรมานใจออกไปได้แต่ความเจ็บของร่างกายก็ยังอาจจะมีอยู่แต่มันจะไม่มารบกวนใจนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้พิจารณาทางทางปัญญาเล ย, ยเราแต่สมาธิอย่างเดียวพ อ, อออกมาเจอปัญหาก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ปัญหาก็คือความกลัวตายนี่แหละความกลัวต่างๆเนี่ก็เอื้อลงไปที่ตัวกลัวความตายนี่ตัวเดีถ้ายอมตายแล้วมันมันมันตัดปัญหาเรื่องความกลัวได้หมดอย่างมากก็แค่ตายแล้วก็ต้องตายแน่ๆมันมันทุกอย่างนี่ยแล้วมันก็จะไม่กลัวครับมันูไม่กล้านั่งสมาธิค่ะเพราะว่ามันจะหลับไานะอาจารย์ก็เลยเดินตรงโกงทั้งคืนเดินทั้งปวดปวดอย่างนี้คือพิจารณาที่เป็ น, นี่ยอ่า้วเราเรื พอจากสมาธิแล้วก <oused> <The Blind. S 1> ็ต so ้องมาหัดพิจารณาเรื่องความเกิดแก่เสด็จได้พิจารณาผ่ามเจ็บว่างไงก็ต้องเจ็บต้องตายแล้วเวลาแล้วมันเกิดความเจ็บก็ปล่อยมนเจ็บไปคิดเอาเถอตอนที่เราคิดว่าเกิดมา้วต้องเจ็บยังยังยเป็นเชิงที่จะดีอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอของจริงแต่เป็นการสอนว่าต้องเตจ็บนี่แน่ก็เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเจ็บ นี่พอเราแน่สมาธิาาลาแล้วเกิดอาการเจ็บตัวขึ้นมาเราเนี่ยของจริงเราละเราต้องผ่านมันไดเราต้องปล่อยวางมันได้เราต้องให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเพราะว่าเวลาร่างกายมีนเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มื่อนเป็นอย่างนี้ถ้าใจเราปล่อยน่ า, นานใจของเราก็าจะไม่นนเือรอนแต่ถ้าเราปล่อยน่ร่าง ใ, ใ จ, จของเราก็าจะทรมานยิ่งกว่าความเจ็บของร่างกายอีก ตอนต้องแท้แท้คิดเป็นเชิงที่จะดีก่อนเตรียมรับกับเหตุการณ์เราต้องแก่เราต้องเสียเราต้องตายเนี่ยเราคิดดีตลเวลาแล้วจนกระทั่งมั น, ม, นมันติดเปนนิสนัยแล้วพอเวลามันเจอความตายเกี่จอความแก่มันก็จะออกมามันจะได้ความกล้าหารออกมารับว่าเออยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่กลัวถ้าไม่เกิดขึ้นพอพอพอเจอของจริงแล้วไม่กลัวจริงจริงวัวานแล้วจริงๆจิตมันก็จะหม หลดจากความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอาจารย์คะล้ว เ, เวลาที่ปฏิบัติเนี่ยคือตอนที่เราไปปฏิบัติแบบปิดวาจาแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะคะแบบมันจะได้ผลคือจิตมันจะรวมตัวแล้วก็แบบว่าตั้งมั่นมานะคะแต่พอเราอยู่บ้านนะคะมันเหมือนกับความเพียรจะลดลงคือมันเป็ น, เ ป, นเป็นเพราะว่าเราหรือว่าเป็นเพราะว่าสถานที่ หาังทีมันไม่เอือ้อํานวยใช่ไหมค ะ, อะพอที่เราไปอยู่นี่นเป็นที่ปราศจากรูปเสียงเกิฑ์รสปวดสะพ้ะที่จะมากระตุ้งจิตใจของเราให้ให้คิดปรุงแต่งแต่ถ้าเราอยู่บ้านนี่มันเห็นเหตุหกับสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นเคยคิดมันก็จะออกคิดห ด, หดห่ว ง, ดงอดกังวลไม่ได้มันก็ทําให้การภาวนา น, นี้ยากเั็นมากกว่ า, าท่านยิ่งสอนให้ออกไปหาที่สงบเยือ้ เป็นการสัมรวมตาหูจมูกร่างกายไม่ให้ลูกเสียงกิ่งลดสวดตะระชนิดต่างๆก็มาลบกวนจิตใจของเราท่านหลบอกว่าสถานที่ท่านหลงมีคําว่าสัปปายะสัปปายะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไว่าส บ, บายนักปฏิบัตินี้ต้องแสวงหาที่สัปปายะคือสถานที่ภาวนาไปภาวนาะแล้วจิตสบายจิตสงบง่ายแท่นจะ เวลที่สงบระดับวิเวกต่อสัจความทุกข์พลาดสิงทุกข์พลาดบุคคลต่างๆเพียงต่างๆแล้วก็บุคคลที่เราไปอยู่ด้วยก็ต้องวิต้องต้องสัพายะก็คือไม่แช่ไปแล้วก็ไปทะเลาะกันไปมีเรื่องมีปัญหากันไปอยู่กับคนที่เขาต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งไม่ไม่ไ ม, มารบกวนกันแล้วก็อาหารอากาศ มันก็มีส่วนที่จะทําให้การทาวนาของเรานี้ไปได้อย่างสะดวกหรือไปได้ด้วยความยากลำบากถ้าไปอยู่ในสางกัดที่อาหารที่มันมันไม่ถูกกับร่างกายหรอรับประทานแล้วมันก็เจ็บไข้ได้เกลืองอส่านี้มันก็ไม่ถูก <c oughs> ไม่ได้มาถึงอาหารที่ถูกปากถูกพอนะ่ะแต่าม่ถึงอาหารที่กินแล้วไม่ไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย แล้วก็เรื่องของอากาศอากาศมันก็มีส่วนถ้าร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปสำหรับบางคนก็อาจจะอาจจะเป็นเป็นเป็นปัญหาได้นะสำบางคนก็ไม่เป็นปัญหาพราล้วแต่บางคนชอบอากาศหนาวมากมา ก, มากเขาก็ชอบไปหาที่อยู่ที่มันหนาวเขาไม่ชอบอากาศร้อนบางคนนี้ไม่ชอบอากาศหนาวชอบอากาศร้อนก็ต้องหาที่ที่มันตัดปลายยะับ มันบรรยากาศรอบตัวเราก็มีส่วนนีผลกระทบต่อต่อจิตใจของเราแล้วก็ส่วนอย่างที่เราขาไม่ได้ก็คือสติอัน ต, ตัวนี้สำคัญที่สุดเราต้องมีสติคอยควบคุมใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจเราไปเพ่นพ่าน เหมือนกับสายเอื้องเชื่อสุนัขเราต้องผูกไว้ผูกไว้กับเชื่องกลมัดไว้กับเสามันก็จะไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ผูกไว้เดี๋ยวมันก็ไปเที่ยวไปเพ่นพลานเวลาเราต้องตามตัวมันก็กว่าจะตามหามันก็ได้ามาแค่เหนยจิตของเราถ้าคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่ไม่ปล่อยไม่ควบคุมไม่ควบคุมเอาไว้มันก็จะคิดไปแล้วก็ทําให้จิตเยความคลุ้งคลานต่างๆนานา มีอารมณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นถ้าเรามีสติคอยดึงเอาไว้ถูกเอาไว้กับเชื่อกับเสาเป็นผูกไว้กับพุทโธแล้วผูกไว้กับการกระทําที่เรากําลังทําอยู่เราทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทํานั้นแล้วกำลังเดินก็ให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินกําลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารหรือทานมันยังจะไปรับประทานอาหารแล้วยังจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทโธเข้าไปแทน อยากวาให้ไปคิดเรืให้คิดแต่พุโทโธอย่างเดียวถ้าอย่างนี้เราก็จะเดิมจิตเอาไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเราให้อยู่ใกล้กับความสงบแล้วพอเราเดิมจิตไม่ได้แล้วเวลาเราไปนั่งสมาธิกำหนดให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจมันก็จะไม่ไปที่อื่นพอเมื่อไปที่อื่นอยู่กับลมไม่อยู่กับพุโทโธไม่นานมันก็จะวมหลงแล้วนี่มันมันมีเหตุมันมีปัจจัยหลายสูงนด้วยกัน ทั้งภายนอกและทั้งภายในที่นักปฏิบัติจะต้องรู้ต้องรู้จักสร้างเหตุที่ดีให้แก่การภาวนาของตนภายนอกก็ต้องสัตยะภายนอกก็ต้องมีสติเราก็ต้องสารวจเอ็นซีแล้ก็ต้องปิด่ยวิเวะแล้วก็ต้องรู้จักรู้จักประมาณในการรับประทานา แล้รับประทานาหา้มากไปที่เก็บง่วงแล้วาา ก, ก็เอน น, อนัน่งแล้ว ก, ก็จะหลับถึงต้องรักปฏิบานเรื่อต้นก็ต้องถือศีที่แปกอนลวเป็นการโดการรับประทานอาหารลงอย่างน้อยหนึ่งมื้อะแล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องกินมื้อเดียวกินมือเดียว ตอนต้ น, นก็เสือสิงแต่ไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่ก็ยังง่วงอยู่ก็ต้องลบเหลือนู้เดียวการนู้นเดียวยังง่วงอยู่ก็อาจจะลองทำไม่กินกี่คำเดียวห้าคำสิบคำล้วก็หยุดถ้ายังง่วงอยู่ก็อดไปเลย นอนเลยนอนเลยนอนเลยนอนถ้าต้องตื่นแต่คือปัจจัยต่างๆที่จะสนับสนุนการปฏิบัติของเราก็มีสถานที่สงบสนัดสู่เวื่องมีสติรู้จักประมาในการรับประานอาหารไม่คุกคีไม่คุกคี ไม่ใชอยู่ที่มีเวกแต่พอเจอคนสองคนเ้าก็ยิ่งเข้าหาคุยกันคยเป็ น, นชัว่วโมงก็เลยได้อยู่ที่วีเวกแล้วไม่ต้องไห้ไปคุกทีกันแล้วก็หาสถานที่สบายะแล้วก็วสมดุลตาหูจมู ก, ก, กลิ้นกา ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วทีนี้เรื่องการภาวนามันก็จะมันก็จะพร้อมที่จะก้าวหน้าอย่างเดียวท่านอาจารย์คะการการเจริญสติในชีวิตประจําวันนีก็จะเป็นวิปัสสนาด้วยได้เหมือนกันใะถ้ามองอะไรเป็นตายรักเป็นไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเรา <c oughs> เป็นทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาได้ <c oughs> แต่ว่ามันจะได้มากน้อยเท่าไหมันจะมันจะเป็นแบบ ตัดขดเลยหรือไม่คือมันอาจจะได้เฉพาะเป็นพักๆในช่วงๆ ช, ช่วงที่เราคิดมันก็มันก็โปรงได้วางได้พอเราไม่คิดมันก็กลับไปยึดไปติดเออย่างนี้ก็ยังก อ, อย่างว่ายัางตัดไม่ขาดถ้าถ้าตัดแล้วไม่กลับไปยึดปไปติดอีกเลยก็ถึงย่างไม่ว่าเป็นนิพพานาอย่างสมบูรณ์เขาว่าตัด แล้วไม่กลับไปยไปติดหมายถึงอะไรเรื่องเรื่องเรื่อกินของจุกจิกแล้วก็ไม่กลับไปกินยาื่บุหรี่แล้วก็ไม่ไม่กลับไปเสพแล้วเที่ยวแล้วก็ไม่ไปเที่ยวเลยแต่ไม่แต่ไม่ได้หมายถึงความคิดปรุงแต่งใช่ไหมเพราะว่าจิตมันก็ต้องแต่เดี๋ยวว่าเราเรารู้ตัวว่าเราอ๋อมันก็ยังไม่คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นหนึ่งแน่ๆเพราะว่ามันมันไม่มันไม่มีความความอยากไม่มีความต้องการในตองนั้นมันก็ไม่คิดกันเรื่องราว แต่ความคิดตุางๆนั้ก็ยังมีมมอยู่เพียงแต่ว่ามันมันไม่มีกิเลสมามามาเกี่ยวข้องเน่ยพราะพระเจ้าก็ยังคิดอยู่ภูบาจารก็ยังมีความคิดอยู่แต่ความคิดของท่านเป็นธรรมเลยนะไม่ได้จะคิดไปในทางการมวัฏฏาภาวานาันฏณาหรือภาวาาัฏฏาแต่อย่างขันยังเป็นขันอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อก่อนนี้เป็นสมบัติของโจรแต่เดี๋ยวนี้เราท่าโจรอะไรนะมันก็เลเป็นสมบัติที่ไม่มีโจรเป็นเจ้าของ มันก็เป็นของธรรมไปขันธ so, so, so ์น so, so so, so so ิ่ของพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมเรื่องแต่งานแต่งงานสามีญาติมันจะเหมือนเดิมอ่างตันที่เจ้าของของพวกเรายังมีโจรเป็นเจ้าของอยู่มีกิเลสเป็นเจ้าของอยแต่ของพระพุทธเจ้าของพระอาหนต์นี้เป็นมีมีธรรมเป็นเจ้าของแต่นี้เป็นวิชาปฏิยาของเราเราก็เป็นธรรมะธรรมธรรมะ ป, ปัญญาสังขาาหรือปัญญาหรืสัมมาทิฏฐิปัญญาสังขาราต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองยังความคิดปรงแต่งบาง ท, กา ท, ทีก็ไปในอดีตบางทีก็ไปในอนาคตแล้วก็เห็นมันกลับไปกลับมาเกิดถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีปัญหากับความคิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับจนเราก็เบื่อไปเองแล้วเราก็หยุดคิดไปเองแล้วก็อยู่ว่างๆไปอย่าง คือเราจะใช้มันกับเป็นยังไงก็ได้มันไม่สําคัญสำคัญที่เราจะใช้ไปในทางไหนเท่านั้นเองใช้ไปในทางธรรมหรือใช้ไปในทางเกเรถ้าใช้ไปในทางเกเรก็จะเป็นโทษกับเราจะสร้างความทุกข์ทางเมตตาใจแค่เกิดขึ้นมาถ้าใช้ไปในทางธรรมมันก็จะทำใด้ใจสงบปล่อยวางพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทั้งหลายท่านก็ยังคิดอยู่แต่ถ้าไม่คิดเหมือนพวกเราคิดกัน ก็เาคิดแบบอยากโรคอยากได้นี่ได้นี่ท่านไม่ได้คิดอย่างนี้ท่านคิดตามเหตุตามผลท่านอาจารย์ขยจนเรียนถามทุเรื่องทุกเวทนาครับคือลูกมีปัญหาที่เข่าเข่าจะโรคหายข้ออและเวลานั่งนั่งสมาีิมีปัญหาเรื่องเวทนามากถ้าหากว่าบอกจิตหรือบอกตัวเองว่า ร่างกายมันเป็นดินน้ำลมไฟ hmm. มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราล่างเน่ยยังง่ายอะไนมันจะต้องเจ็บมันจะต้องปวดเราห้ามได้ไหมไม่ได้บังคับเป็นหายเจ็บได้ไหมไม่ได้ถ้าสอนตัวเองอยู่ในลักษณะแบบนั้นพอมันเริ่มมีความเจ็บปวดจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลิกจิต ม, มันเนี่ยจะริ่งที่มันไม่นึกอยากจะอยากจะจะจะจะขยับอยากจะอันนั้น เจ็บก็ยังเก็บอยู่นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ชอนบอกว่าให้ถือว่าร่างกายเป็นเหมือนแทรกซึกแล้วก็พยายามอ่ะจุดไฟเผาลูกก็ทำอย่างนั้นบ้างจุดไ ฟ, ไ ฟ, ไฟเผาพอจุดไฟเผาปั๊บเนี่ยมันลุกจินแต่มันไม่รู้สึกเจ็บมันไม่รู้สึกเสียดายมันไม่รู้สึกนั่นแต่มันรู้สึกร้อนข้างในอะค่ะ มันร้อนเหมือนกับว่าเวลาเราอาบน้ําตอนหน้าร้อนๆออเนี่ยแล้วเอกแป้งทิงเทรี mm ่ฮีตเนี่ยผ่ามันร้อนแบบสบายแบบนั้นนะคะ mm hmm. แต่ไอ้ไอ้ไอ้ร่างอันนั้นหรือว่าตัวของเราเนี่ยนะคะมันก็ไม่เคยไม้จนถึงขนาดว่าเป็นเท่าถานเหมือนอย่างที่ท่านพรอาจารย์บอก mm hmm. มันก็ยังไม่อยู่อย่างไงล่นนะคะ่ะ mm hmm. แต่จิตเนี่ยมันไม่ได้เลือกอยากจะเปลี่ยน มันไม่ได้นึกอยากแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกครั้งนะคะถ้าไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยมันจะรู้สึกทรมานอย่างเช่นวันเนี้ยนั่งฟังท่านอาจารย์พูดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงรู้สึกเลคะว่าจิตเนี่ยมันสันมันอยากจะออกมันห้ามยังไงมันก็ห้าไม่ได้ทําไมถึงมันเป็นอย่างนั้นค่ะเจ้าค่ะท่านมันก็เป็นอยู่ที่กําลังของสติปัญญาของเราบาช่วงถ้ามันอย่างที่ได้แสดงว่าถ้าทำมีกําลังมากกว่ากี่เลยกำนั้นึนก็จะสงก ถ้าช่วงที่กิเลสมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะวุ่นวายมันก็จะไม่สงบดังนั้นบางทีบางเวลาสติเราอาจจะอ่อนอ่อนกำลังลง<อ>ตอนนั้นกิเลสมันก็จะมีกำลังที่จะสร้างความกระสับกระสานน่ายประเมินกระวายให้กับใจได้ พาะนั้นข้อสำคัญที่สุดคือเราจะต้องสร้างสติสร้งานนสงสร้างสติและปัญญาด้วยสร้งางปัญญานี่คือลูกพยายามเ่องเกิดแก่เจ็บตาย พยายามนึกพิจารณาอย่างที่ท่านพิจารณาแต่มันก็ยังเป็นความจําอยู่แล้ะท่านก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังเป็นเวาเราท่องไปมันก็จะเป็นเชิงของสมาธิไปใช่ค่ะแต่มันมันก็ขึ้นมานะครับบางครั้งเวลาเราทําอะไรอยู่ๆมันก็ขึ้นมาว่าเออนี่เราต้องแหแล้วเราต้องเสกนะเราต้องตายตายง่ายๆไม่มีใครไม่ตายมันก็จะช่วยย้ําไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งแล้วมันก็มันก็คลืน มันก็หลุดออกไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะดึงกลับเข้ามาตอ <Okay. S 1> นนี้มีบ้านอยู่ที่จามเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมีคนเา้าเมตตานะคะ <Okay. S 1> ก็มาขโมยของที่บ้านไป <laughs> คือเขาขโมยทีวดี ซีดีวิทยุหมอกข่าวเตาลี่เขาเหลื อ, ขาา เ, ขอ เ, เขาเหลือทุลักทุเลให้แต่ท่านเมื่ อ, อ, อาานนไปีทีแล้วเขาก็มาขโมวทรลักท์เป็นอีกตอว่า้ปีนี้เลยสบายไม่ไม่ไมด้มีอะไรได้ดูเลยก็เรียกว่าเปสนับปลายละทีททท่่เป็นคนสดคนคือถ้าเราสูญเสียรักใจเราไม่ต้องเสี ย, สยดายก็แสดงว่าเราปล่อยวางได้ เขาลกเขามาทำบุญให้ห <S <S เ่ยเรัมาช่วยมา <S <S ช่วยให้เราบร้ของเราได้บางทีเรายังเสียไดยย้พอไปแล้วก็ดลเป็นเป็นเหตุทำให้เราสามได้อย่างถาวรเลยบางทีเราก็ต้องอาศัยเหตุการณ์บางอย่างที่กระตุ้นสติปัญญาของเรากระตุ้นให้เราเข้าห้องสอบสบองทีเราคิดวยา่วงหน้าก่อนนี้มันยังไม่ได้เข้าห้องสอบ พ่อเยือนเชื่อไปหาหมอทางหน้าหมอบหหอกเยอะอีกหกเดือนถ้าวหน้ามันจะกระตุ้นให้เราเข้าห้องสอบจริงๆเรารู้ว่าทีนี้ตายแน่ๆมีคนรับรองแล้วก็ต้องตายแน่ๆ <c oughs> ทีนี้ก็จะดูใจของเราว่าจะจะปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าปล่อยวางได้ก็กเราก็สบองตายอย่างสบายอยู่อย่างสบายหกเดือนที่จะตายนี้ทานที่จะมีความตื้นตันมีความสูงยิ่งกว่าหกสิบปีที่เคยถืมา จริงๆถ้ามีธรรมะนะมันเข้าไปเข้าขีดขัน้ขนะี้จิตรรับรับตรงได้แเราเนี่ยมันจะมีความสมกับชีวิต ท, ที่เราไปอยู่มาถึงหกสิบเจ็ดสิบปีนะโดยที่มีกิเลสพาท่องนำจใิตใงไว้ปตลอดเวลาแล้วก็มีมีปัญหาอีกอย่างหนึงนะในเรื่องความอยากอชอบชอบดูเทนนิสมาก <c oughs> ในขณะที่ดูเทนนิสเนี่ย ก็คิดว่าเฟเธอร์เนี่ ย, ยในในมันจะต้องเป็นไปตามกดของไตรัดแน่นอนคือมันจะเป็นนับวันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ <c oughs> คือคือทาว่าอันนี้มันเป็นกิเลสนะคะท่าน <c oughs> แต่ขณะที่เราดูเนี่ยแทนที่เราจะให้กิเลมันพิงไปย่าชาติเดียวเนี่ยพยายามคิดอย่างนี้เพ่จะใช้ได้ น, นะคะท <c oughs> ่านก็าบไหมถ้ามันจะพยาามรับว่าเขาต้องแพ้สักวันเนี่ แล้วเราก็ไม่มีอาการรู้สึกการทานกับการแพ้ของเขาเราก็เราก็ ม, มันก็เป็นการผ่วางนะก็คิดอยี้ก็ถูเราแต่ ว, ว่ามันก็ก็ดูเสียเวลาทาไมไม่จำดวตาหูไงจไม่จำดวน ง, งมินซีวัน <c oughs> นี้ต้องกลับไปจานวนแล้วัด ไปด้วยต้ไปดูรายการต่างๆแล้วมันเป็นของโกหกของเล่น่ะมันองเล่นเงินไปคนนี้ก็ชนะคนนั้นก็แพ้ถัด ก, กันแพ้ถัด ก, กันชนะไปแล้วยังยังยังบอกยังบอกดิวนะบอกว่า มันมีมันมีเทนิไฟไนอลแล้ววันนี้ไฟเนอรนะ <c oughs> บอกว่าเป็นตายังไงฉันก็จะไม่ดูเทนนิส <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ดูจริงๆนะคะท่านคนนี้มาฟังคนที่เขไม่ดูคนที่เขไม่ดูก็ไม่เดือ <c oughs> ดร้อ ม, ม, <c oughs> มันก็ไม่ได้เดือดร้อน <c oughs> <c oughs> แล้วก็แต่การ <Y ES> ยังวน <c oughs> นี้ท่าย้ายข้ารชการเราก็ไม่หลไบเลยเสียใจไปเสียใจเลย แตมันเป็นสารยาเนี่ยมันเป็ น, น, น, นปีนการว่าตำหนัเขาเลือกดูอะไรได้ทอย่างอยูอย่เห ม, มนเศงินขนาดไหยังตัดรูปไม่ได้ไหมยังตัดรูปรูปคนอะไรอย่างเได้เเขาตัดได้ของพวกนี้มันเป็นเหมือน <c oughs> ายาเสพติดด <c oughs> ูแล้วมันก็ติดนะพอปีนี้เราเดี๋ยวปีหน้าก็อยากจะดูต่อ <c oughs> ดูไปอย่างนั้นดูว่าเขาอยากรูแล้วก็อ้างบบไตลักอะไรอย่างเงี้ย ไม่ถว่าตรงไปคิดวตรงเนไปอใ้า่ไนมาได้อยากรู้ว่าเราดูดูนเสอย่างนี้นะคะคบอกไอ้คนพวกนีมันจะต้องเกิดต้องแข็ต้องเก็บต้ยางนั้นคนี้หน้าตามันสวยนะอีก้ต้องแข็ต้องเก็บต้อตายแบบนั้น ยากคือพิจารณางกันนะการต้องการที่ผว่าเราคอยกันยังไงใครยังดูถ้าพิจารณายังดูอกัมันพิจารณาเพื่อไม่ให้ดู ตัตาต่วเลากการเล่นค่อยๆลไปได้แล้ก็เ้คนี้ก็ต้องเลิกทดูน้อยเราก็แสดงว่าก็ได้ผลบ้างแต่ยังยังไม่ได้เ็ที่เมื่อยูเดนมาร์กเส่งขาวเขาไม่ได้ดูปรากฏขึ้ไปดูคอนเเคเเคยเห็นหลวงปู่หลวงตาอะไรบางองค์ท่านน่ะฮะ เห็นท่านดูทีวีดูมวยอะไรเงี้ยบางทีเราไปคิดออกสัปปมาท่านนะเพราะว่าจริงๆท่านดูแล้วท่านคิดอีกอย่างไม่เหมือนที่เราคิดเือท่านดูแล้วท่านไม่ติดม่มีมีก็ดูไม่มีก็ไม่ได้ไปติดตามว่ารายการต่อไปหรืออาทิตหน้ารายการนี้มาเราจะได้จะดูอะไรไม่ได้คิดเติดดูแป๊บแล้ก็ผ่านไปมันเหมือนกับควันอะควันพอมัน โผล่ข้นมาปับเดี๋ยวแค่กระจายหายไปท่าก็ไม่ได้ไปเปสร้างภาพอะไรขึ้นมาตามนึงดูไม่เหมือนกันหรอกใจของคนที่ติดกับคนไม่ติด<ม>ให้ทำอะไรได้เหมือนกันให้สูบบุหรี่ให้เดิมเล่าแก้วหนก็ดื่มได้แต่ไม่ได้ติดเหมือนคนที่เดื่มมาติดสูบแล้วก็ไม่ได้ติดสูบแล้วประสากะไปใครให้มาสูบปสัสสาวะไปเวลดูก่อนนี้ไปไม่มีก็ผ่านไป มันไม่ไดม้มันไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการฆ่าเวลาอยู่ว่างๆบางคนคุยไปก็ดูไปคิ้วหมักไปดูผู้อื่นไปตอนนั้นเองแต่ใจมันไม่ได้ไป ม, มีความผูกพันแต่เราไม่มีก็ไม่ได้มีความคิดอยากจะหามาดูหามาดึ่มหามาสุ่ แต่คนที่ยังติดอยู่เนี่ยมันยังไงยังไงก็ยังต้องขาวมาดื่มหามาดูห า, ม า, ามาสูตรนี่นะแล้วมันก็เลยเป็นภาระผูกพันกันมาจากพวกนี้ก็ไปต่อพวกงหน้าอยู่ก็ห ย, หยุดเลิออกแต่รัตญา น, นี้ทำอะไร ม, มาบ้าง <laughs> มเ็นเนอะไรเหรอไม่สงกลัวกลัวต้งไม่จับตรงนี้ไม่เาฟัน แล้วโลกมีปัญหาอีกเรื่องห น, นึ่งนะคะที่อยากจะเรียน ถ, ถามอาจารย์เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนพิการเข้าปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับแล้วก็กอาการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็ทําตั้งแต่คช้า <c oughs> เ, เ, ย, ย, าเย็เนพยายามเจริญสติลตอลอดเวลา <c oughs> แล้วก็เบอกว่าในขณะที่เขาเจริญสติน่ะมันแก่กล้าถึงขนาดกับว่า เขาแยกกายแยกใจได้คือมีใจมองเห็นอยู่ว่ามีมีมีสติอยู่ตรงกลางมีใจมองเห็นว่าใจเนี่ยกําลังทําอะไรกายกําลังทําอะไรมีหน้าที่ต่างกันอย่างนี้ไม่ใไม่เรียกว่าก็มีสมาธิใช่ัหมคะอย่างเรามันเป็นจินตนาการเป็นการใช้ความคิดตัวแต่แยกแยะมันไม่ได้เป็นความจริงถ้าจุดรนมองมันจะเป็นช่องจริงเหมือนกับอ เมือนกับเรานั่งดูจอโทรทัศน์แล้วเราก็แยกว่าภาพกับจอนีมันคนละส่วนกันแต่มันยังอยู่ด้วยกันอยู่เจ้าภาพก็ยังอยู่บนจออยู่ถ้าเราอยากจะแยกจริงๆมราต้องดับต้องเปิดโทรทัศน์พระเปลี่ยโทรทัศน์นี่ภาพหายไปแล้วเหลือแต่จออยู่เดียวเรานั่งมีแต่แยกกันอย่างชัดเจนอย่างจรงิงจังแต่ตอนที่เรานั่งดูแล้วเราก็แยกว่าอ๋อนี่เป็นเพียงภาพแต่ก็ยังดูมันอยู่เนี่ยมันเป็นเงาเ อ, งอย่างเนี้ยแต่ก็เลยดูไม่ได้ มันต้องมันต้องนั่งสมาธิพอจิตรวมลงแล้วนี่ภาพหายไปหมดนามขันหายไปหมดเหลือแต่จับแต่ว่ารู้เหลือแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียวอันเนี้มันถึงจะแยกกันจริงๆเห็นกันจริงๆเนี่ยค่ะที่เขาถือว่าเป็นเป็นผู้รู้ที่เขาเห็นเนี่ยนะคะให้ให้ให้ดูแต่ไม่ได้เป็นเป็นผู้ดูแต่ไม่ได้เป็นผู้เป็นอจะเป็นเป็นมันเป็นความรู้แต่เป็นเป็นจินตนาการมันยังไม่ มันยังไม่ดับกิเลสกิเลสไม่หยุดทํางานเพราะความคิดมันยังไม่หยุดดังนั้ความคิดก็ยังถูกกิเลสใช้เป็นเครื่องมืออยู่เช่ไปพูดไปเจียงกับเขาเดี๋ยวกิเลสออกนะเขายังถ้าตัวของเขาถูกนะคือคือเจริญสติเนี่ยเพื่อให้นั่งสมาธิได้มันจะกอดกันนะมนจะกอดกันพอพอะมีสมาธิแล้วปั๊บเนี่ย ปัญญาเนี่ยจะพิจารณาได้ดานนานขึ้นคือแทนที่จะมาปัญญาพิจารณาเกิดแจ็บเจ็บตายเดี่ยวมันไปที่อื่นพอเรามีสมาธิฟับมันจะทำให้ระยะเวลาที่เราพิจารณาทางปัญญาเนี่ยยาวนานขึ้นยาวนานขึ้นจนในที่สุดมันจะติเป็นนิสัยไปความคิดของเราก็จะคิดแต่ทางแต่เจ็บตายไฟหน้าไฟอยากจะอยู่เปสาอยากจะไม่เจ็บแค่ได้ป่วยอยากจะไม่ตายเพราะนี่เป็นความคิดพื้นเพย์ของพวกเรา <Jub ilee> ทุกคนนี่คิดอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครอยากแกอยากเจ็บอยากตายนะแต่เพราเราต้องมาย้อนสอนเขาเลยทวนกระแสทวนกระแสของกิเลสแล้วต้องมาคิดเราต้องแกแน่ๆต้องเจ็บแน่ๆต้องตายแน่ๆคิดมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะมาท่านกระแสของกิเลสนี่มันถูกกระแสของปัญญานี่ดันกลับไปหมดเลยทีนี้มันมันก็จะเห็นอะไรก็จะเห็นแต่แก่เจ็บตายพอใครมาเล่าว่าคนนั้นแกคนนั้นเจ็บคนนั้นตายก็ไม่ถึงนเต้นอะไร ไม่เหมือนพวกเราพอได้ข่าวว่าคนนั้นไม่สบายเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่ความนิจใจเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตขึ้นมาเพราะว่เราไม่ได้เตรียมใจไว้เราไม่ได้คิดอยู่ตลอดเราไม่ได้คิดอยู่ตลอดว่าเขาต้องแก่ต้องเสียต้องตายแน่ๆนั่นเองถ้าเรามีสมาธิมันก็จะถูกกิเลสดึงไปคิดเรื่องอื่นทันทีคิดได้แป๊บเดียวไม่ไม่สนุกคิดเรื่องนื่นดีกว่าสนุกกว่าคิดว่าจะไปเที่ยวไหนดีคิดว่าจะไป หาใครดีไปซื้ออะไรดีมันก็จะไปทางา น, นอ่ะแต่ถ้ามีมีสมาธิแล้วเราสั่งให้มันคิดอะไรมันจะไม่มีกิเลสมามาิมาึงไปมันก็จะคิดตามที่เราสั่งให้มันคิดไป <c oughs> พอคิดไปเยื่อยๆแล้วมันก็จะติดเป็นยึดถืเหมือนการเราท่องสูตรคูณสองตัวเราก็ต้องท่องสองคูสองเป็นสี่สองคูนสาเป็นหกท่องไปเรื่อยๆก่อนพอท่องจนขึ้นใจแล้วทีนี้ไม่ต้องท่องอ่ะ แต่แต่เห็นสองกับสามก็รู้รดเท่าไหร่นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันพอเราพิจารณาจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจจนนิสัยแล้วพอมองเห็นใคร่ารู้ว่าพวกนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนยางนี้แม้ตเด็กก็ออกมาเพลงมันจะรู้ว่านี่มันต้องแก่ต้องเ็บต้องตายแล้วมันจดคิดอย่าง้อันนี้เรียกว่าเนภาวะกภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่ไม่ก็เกิดจากเราที่เรา เราเราฝึกซ้อมฝึกซอ้กซอมนการเราท่องสูตคูณ <c oughs> ถ้าเราไม่ท่องสูตรคูณใมืก่อนนี่เราก็จะไม่สามารถที่จะคิดแบบนั้นได้พอเหสองมาสามก็น้องคิดว่สองมาสามเท่าไหร่ก็เราสองบวกสามครั้งเลยจะได้หก<ม>แตแล้วเราท่องให้สองคสามเป็นหกเอามาเห็นต๊อมันก็จะขึ้นม า, าทันทีเดียวือนกับการอ่นหนังสืตอตามต้อแล้วก็ต้อง ท่องกอไข่กไข่ไปก่อนแล้วก็มาหัดสะกดพอเราสะกดเป็นท่องเป็นแล้วพอเห็นหนังสือปั๊บมันก็จะอ่านทรวดไปเลยมันไม่ต้องมานั่งสะกดแล้วความรวดเด็วความทํางานควางานซึ่งก็ต้องมีมีสัญญาณควาจำเป็น <c oughs> เป็นตัวสนับสนุความจําับสังขารความความความคิดปัวเราความจําต่างๆมารวมกันให้ให้ให้ปรากฏเป็นผลที่เราต้องการขึ้นมา แต่มันเป็นความจำใช่ไหมคถ้ามันไม่ใช่ปัญญาในพระแท้แค่เพื่อเราท้องไปอยู่แคเี้ยก็ต้องก็ต้องไปเข้าสนามไงต่อไปก็เป็นการทําการบ้านกันขั้นต่อไปก็ไปไปอยู่ที่มันต้องเอาความแอบความเกลียดความตายมาเป็นเดิมพันไปอยู่ที่ที่มันเสี่ยงต่อความตายหนึ่งที่โยมคนนี้เล่าใหฟังขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วไปอยู่ใกล้กับหลงศพเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับความตายจริงตอนนั้นก็ต้องต้อง ใจก็ต้องจริงละยอมรับความจริงนี้ได้ห่ายอมตายได้หรือเปล่าเดวถ้าหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องอยู่แค่หกเดือนทําใจได้หรือเปล่าตอนนั้นหนักมันเข้าสนามสอบแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสนามสอตอนนี้เป็นการทําการบ้านไปก่อนเป็นนัก บ, บวยก็โชครบกระสอบตายไปก่อนยังไม่ได้ขึ้นเวทีฉะนั mm. Mm. ้นบอกว่าการปฏิบัติของเรามันมีสองลักษณะ เมืงตอนก็อยู่ในลักษณะการทําการบ้านไปก่อนเรอยู่ที่บ้านที่ปลอดภัยนั่งสมาธิเสร็จออกมาแล้วก็พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอะนี้มันยังเป็ น, นยังเป็นการเป็นการทำการบ้านอยู่แล้วพอยมร่ายฟังว่ามีคนมาเมตตามายกทีไปมายกอันนั้นแบเป็นการเข้าอ้อมสอบแหละเราต้องมีการพัดผ้าจากทาันจากสิ่งที่รักที่ชอบเป็นธรรมดามันมันไปแล้วเนี่ยแล้วเรา เรารู้สึกยังไงกับการจางนี้ถ้าเรารู้สึกเฉยๆยิ้มหัวเะได้ก็ก็สบายบอกเขาบอกไม่ต้องมีเมว่าตอนนี้บอกว่าจะไปแล้วนะจะไปอยู่กันแนีหนุ่ยคนนึงก็ยิ้มได้ไปได้เรองเนี้ยเราม้าห้องสอบงั้นเราก็ต้องคิดทุกทุกแง่ทุกมุมเลยกับทุกอย่างที่เรามีว่าเขาจะต้องจากเราไปได้แน่ๆอย่างแน่นอน แล้วเมื่อเขาจากเราพร้อมที่จะให้เขาไปอปิสระตอนนั้นถ้าเราพร้อมก็ไม่มีปัญหาทาไม่บอกจะไปแล้ววันนี้ไปได้หน้าเนี้ยก็ไปเลยดีสิเราจะได้เป็นอิสะระอยู่้งเดียวทีเ่เหมือนเขาไปโกรธเขาัปโมโหนี่ก็แสดาตอกละตอกตอกไม่ผ่า ถ้ย่งไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในป่าในเขาไหมคะไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ที่ป่าชันใช้ใช้วิธีอื่นได้ไหมคะที่จะทดสอบตัวเองนงั่งให้นั่งให้มันเจ<ม>็บปวดแล้วให้มันหายอนไปเองเพราะตอนเราเวลาใกล้ตายมันก็ต้องเส็บปวดแบบนี้น<ม>ถ้าเราไม่ถ้าเราผ่านความเจ็บปวดแบบนั้นไา้แล้วเราก็ไม่กลัวตายแล้วด<ม>้วยความไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมแพ้เออเอกิเลสที่บอกว่าหยุดเถอะเดีวขาหักคือปล่อยให้ร่างกายมันให้ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นเองแล้วดับไปเองเหมือนกับฝนตกอะตอนที่เวทนาเกิดขึ้นแล้วที่เราเห็นมันกำลังตกตกยังไงก็ต้องหยุดสัวันเนีไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหยุดเวทนาที่มันจะเจ็บปวดแค่ไหนมันก็ต้องมันก็ต้องดับไปต้องผู้บาอาจารย์ท่านก็ทำมาแล้วท่านก็พิสูจน์ให้เราเแล้วมันมันเกิดขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวมันก็ดับของมันไปได้ ถ้าเราผ่านขั้นวิทนาที่รวมแรงไปได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรมามาทําให้จิตใจเราหวั่นไหวทำให้จิตใจเราทุกข์ยากที่มันก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเพราะความตายที่มันไม่มีอะไรมันเพียงแต่อยู่ฐานใจถึงเชื่อวิญญาทีเดียวมันก็ตายได้ละคนเราเพราะไม่หายใจหายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็ตายความตายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือ่าเจ็บปวดเหมือนกับความเจ็บปวดของร่างกายที่ ถ้าเราผ่ามความเจ็บปวดของร่างก า, ายไปได้มันก็มันก็ผ่ามไปได้หดแล้วก็การสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปถ้าเราสูญเสียทุกสิทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเรายังยิ้มไม่ได้แสดงว่าก็เราก็ผ่านเช่นสมมติบ้านไฟไหม้สามีทิ้งเราเงินถูกเขาโกงไปหมดก็ไปปวดแล้วก็หมดเงี้ยนย เห็นนิดเดือดด้านเลยถ้าเป็นถ้ามีคนมีสติมีปัญญาก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ดีเสียก็ว่าเป็นเป็นโชคเป็นราสนาบุญมาสนับสนุนเราอย่างผ้าจางตูกขาวท่านก็เนี่ยไปพบภรรยามีชู้ก็อยู่ตอนตนท่านก็ท่านก็ปวดท่านก็คิดจะฆ่าต่อแล้วก็พอดีสติปัญญามาทํา ถ้าเราไปท้าเขาเราก็เลยกว่าเขาท่านก็เลยยกให้เขาเป็นเลยประกาศบอกชาวบ้านเลยว่ายกให้บวชเลยท่านจะออกบวชถ้าเราไปบวชเนี่ยการชุนเกศทั้งโอกกับเป็นการกําลังทาธรรมแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมเตรียมฐานเตรียมทางไว้ก่อนมันจะไม่คิดอย่างนั้นมันจะคิดว่าเป็นการอับมายขายหน้าเป็น ความเสียงเสียยิ่งใยงที่จะต้องมีการร้างแข่งกันเนี่ยถ้ามีธรรมะเดี๋ยวทัวร์เขายึดเจ็ดหมื่นล้าน เ, เา น, น, นี่เดี๋ยวก็บวชให้เลยถ้ามีธรรมะก็เดี๋ยวก็อุ่นไาวเดี๋ยวบ้านงี้บ้านานึงก็อุน่นไห พราะ้ก็ต้องต้องทำการบ้านวิเกราะห์ถ้าไม่ทําการบ้านมันไม่มีทางออกพอถึงเวลามันก็จะคิดเป็ น, ท, นทางเกเรทันทีก็จะคิดล้างแค้นทันทีคิดจะหาวิธีกอบกู้จากสิ่งทีกอบกู้กสับสมบัติการต่างๆ ก, ก, กลับมา ท, าทันทีมันจะคิดทํานั้นแต่ด้านมันได้ฟังธรรมะได้จเจริญปัญญาไดะปฏิบัติธรรมมีสมาธิแล้วคิดถึงเรื่องการเสูญเสียแล้วยังไงก็ต้องสูญเสียไดแน่ๆช้าหรือเร็ พอเปนที่อย่างนี้ได้พอถึงเวลาเสื่อมเสียมันก็นะครับมันก็อาจะคิดว่าสมควรถึงเวลาถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเอาไปแล้วเราก็จะได้ไปอีกขั้นขึงเมือเราได้ตอนเราก็ยังยังมีกเกลียดยังหยั้ยังเสียดายอยู่แล้วเมื่อถูกบังคับให้ให้ให้เสียให้หมดไปมันก็เลยเป็นจังหวะดีเป็นไปไปไปฏิบัติธรรมเข้าสู่นิจต่อไปได้ก็ ไปออกบุกได้ถ้าเราไม่คิดตั้งหน้าก่อนมันก็จะไม่มีทางไปได้หรือถ้าเราคิดไม่มากมากบงทีไม่ต้องรอให้เหตุการณ์จริงเกิดขึ้ น, นเราก็เห็นว่ามันก็เราก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรกับมันมีเงินกองเท่าภูเขาเราก็ไม่เราก็รู้ว่าไม่ได้อะไรความสุขกับเราเงนกลับมีความทุกข์เยอะมากกว่ากลายเป็นภาระที่เราต้องคอยดูแลรักษาคอยเป็นห่วง คอยกันก็เลยทิ่มันไปนเลยออกบุตรเลยดีกว่าจะถ่านทำยังหมอ ด, หม อ, ดอันนี้คงจะถ่านไม่หมอถ้าถึงจะสมควรใจเวลาพย <c oughs> ายามถวายของไ <c oughs> อไรทำอะไร ที่เราไม่ใช่วายแ่ที่ทำงา น, นก็เพราะปัญหายอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันต้องมันไม่เที่ยงจะพูดไปกลางทางก็ต้องอยู่เราถึงใช้สายพอทชาตมาแนะนำมันก็ไม่ใช่วเลยที่เขียนยู่เส้นสายดีกว่ามันชัวร์กว่าววมันจะได้พวกเราทอยกันกนเสียเงเสียอะไรจกจากใครอ่ะ แล้วคนเล่นได้กันหรือยังแจกกันหรือยังแจกไปบางส่วนแล้วครับแจกไปส่วนมเปลี่ยนไแล้วไม่ได้ก็บอครยังไม่ได้ก็ิก้าบอกนะครับช่วง ท่านอาจารย์ควันนี้พาหลานมาบอกว่าให้ท่านอาจารย์อบรมเลยค่ะมาใกล้ๆแล้วเฮ้ยเรวให้มาตอนเด็กๆมาให้มาหาท่านี่ก่อนที่จ้างมาไม่เองค่ะนี้เดีนี้าเงนความที่ดีนะหนที่ถึงเตุถึงผลนะ เราทาอะไรแล้วผลมันเป็นยังไตงตามเราคนอื่นเขาช่วยเราไม่ได้นะนเวลาผลมันเกิดจากการทำของเราเราต้องรู้จักถ้าทำไปแมันไม่ดีเราพยายามตั้งับอย่าไปทําถ้าอะไรทําดีแล้วก็พ ย, อยายามทำพ่อแม่ก็เพียงแต่คอยบอกเราเท่นั้นแต่เราต้องเป็นคนที่คอยสอนเราอีกอกทีโดยยันราบเผิดกันเผิดแล้วเราก็ไปทําตามความรู้สึกม่คัยแบบเดินนะงเรา เราชอบอะไรเราก็ทําไปโดยที่น้อมรู้ทีว่ามันมีผลเสียหรือผลดีองไรก็อย่ า, ไ, ยาไปรําคาพ่อแม่นะสอนก็เพื่อที่จะให้เราตื่นสติให้กับเรานั่นเองแต่เราพ่อแม่สอนก็เหมือนพระสั่งสอนเราฟังแล้วก็พยายามเอาไปปฏิบัติให้ได้นะเราใจอ่อนจะถูกเพื่อนจุกไปโน้นู่นนี่เราพยายามอย่าไป คบเพื่อนที่พาเราไปในทางที่ดีเพื่อนที่ชวนเราไปเที่ยวไปเกย์เลยก็อยากไปถ้าเพื่อนเชิญเราไปอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษไปทำกิจกรรมทางการศึกษาแล้วก็คบกับเพื่อนแบบนั้นเรียนดีกว่าพระเจ้าบอกให้รู้จักเลือกคบคนคบบัณฑิตอย่าไปคบคนคนโง่คนโง่ฉลาดถ้าคนคบกับคนโง่เขาจะพาเราไปโง่ด้วยถ้าเราคบกับคนฉลาดเขาจะพาให้เราไปฉลาดด้วย คุ๊บนะเพื่อน แล้วแล้วภาพนี่จะแจกเของไปเองใครใครอยากจะได้ครับรับไปเลยนะครับฟีภาพไม่ีแก้วกับหลวงปู่คําพันธ์แต่พวกหลวงปู่ฟันถ้าอยากได้ก็เอาไปได้ครับพระบิดาเป็นสังฆานุสติคิดถึงท่านก็มาคิดถึงเราว่าเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนเราแต่เพราะท่านมีศรัทธามี วิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาท่านก็เลยได้เป็นสาวาณะเป็นที่พึ่งของเราเตอนต้นก็เป็นที่พึ่งของท่านก่อนเมื่อท่านพึ่งตนท่านได้แล้วท่านก็มาเป็นที่พึ่งของพวกเราอีกต่างแต่ท่านก็ ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราในขณะ น, นี้ตอนนี้เรายังเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เราก็ต้องพึ่งท่านก่อนพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์จนกระทั่งเราสามารถเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปไม่ได้กไไม่ด้จํากัดอยู่ที่เทศหรือที่วานหญิงก็เป็นได้ชายก็เป็นได้นักงบวชก็เป็นได้นักงปฏ นักคราวาสก็เป็นได้ไม่ได้อยู่ที่เพศแล้วอยู่ที่วัยจะอยู่ที่ความประพฤติสี่ประการก็คือสุ ป, ปฏิอุชุยายะสามิจิตถ้าผู้ใดมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสี่ประการนี้ก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีรูปครูบาอาจารย์ก็มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึง เรื่องเรื่องอย่างนี้เป็นการเจริญสังขารนิสติทำให้เราไม่ท้อแท้ต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติว่าเราก็เป็นเหมือนท่านท่านก็เป็นเหมือนเราสิ่งที่เรายังไม่เป็นเหมือนท่านในตอนนี้ <c oughs> ก็เพราะเรายังขาดคุณธรรมที่จะพาให้เราได้เป็นที่พึ่งของเราและของผู้อื่นต่อไปก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิรับปัญญานี่เอง เรามีแต่มีในจานวนที่ยังไม่ไม่มากพอยังไม่มีกําลังมากพอที่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่จิตใจของเราได้แต่ถ้าเราบําเพ็ญไปเรื่อยๆจเจริญสติเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้ที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันนี้ก็จะทําให้เราเกิดศรัทธาต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์มากขึ้นเมื่อเรามีศรัทธามากขึ้นเราก็จะมีกําลังใจ มีความขยันหมั่นเพียงที่จะปฏิบัติตามจะเจริญสติให้มากขึ้นจะนั่งสมาธิให้มากขึ้นน่าจะเจริญปัญญาให้มากขึ้นเมื่อเราทํามากขึ้นไปจนถึงครบครบกับความต้องการแล้วมันก็จะกลายเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันไม่มีอะไรลึกลับเลยในทางศาสนาทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลวางไว้หมดแล้วมีทั้งเหตุตัวอย่างที่เป็นเหตุก็มีตัวอย่างที่เป็นผลก็มี ไม่มีอะไรลึกลับในพระพุทธศาสนาทุกอย่างเปิดเผยหมดที่มันลึกมักในใจเราเท่านั้นอ่ะที่มันถูกลึกถึงความมืดบอดปิดบังไว้มันเลยทําให้เราเห็นทุกสิีทุกอย่างเป็นเรื่องลึกลับไปหมดแต่นความจริงทุกอย่างนี่เขาเขาเปิดเผยอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าไม่เคยเก็บความลับอะไรไว้เลยมีอะไรก็พูดออกมาทุกอย่างบอกให้หมดทุกอย่างทั้งเหตุที่จะทําให้เกิดผล ที่ประสะขึ้นมาพวกเราตอนนี้ขาดเหตุก็คือขาดขาดคุณธรรมทั้งหประการนี้คือศรัทธาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราต่อธรรมะมนั่นเองตอนนี้เรายังแทงกลั้กันอยู่มันเสียดย้ยทางโลกก็ยังอยากได้ทางธรรมก็ยังอยากได้อย่างนี้มันก็จะไปไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกเหียบเรือสองแพรมันต้อง อยไปรักพี่เสีได้เน้อเอาคนใดคนหนึ่งไปเลยเวลามีภรรยามีสามีสองคนนี่มันทุกข์นะเอาคนเดียวดีกว่าทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยทางถ้าเราทางโลกมันก็จะต้องทุกข์ทรมานใจไปอยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปถ้าเอาทางธรรมไปมันก็จะหลุดพ้น จากความทุกข์จุดทนจากการเห็นว่าตายเกิดนั้นถ้าเราเข้าหาผู้รู้หาครูบาอาจารย์พระที่เป็นสุปฏิปันโนท่านก็จะพูด <c oughs> น้อมใจเราพูดให้เราเกิดศัทธาพูดแลให้เราเห็นทางเห็นช่องเห็นโอกาสเห็นความสามารถของเราว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิที่จะได้ครอบครองสมบัติอันประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวทั้งหลายท่างได้ข้อครองนะเพราะท่านกับเราก็ไม่มีความแตกต่างกันท่านมีอาการสามที่สองเราก็มีอาการสามที่สองท่านเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ท่านมีกิเลสเราก็มีกิเลตอนนี้ที่แตกต่าง้ก็อตอนที่เรายัางไม่มีศรัทธาเป็นที่ที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัตธิธรรมอย่างเต็มที่เท่านี้ถ้าเรามี ศราทามากขึ้นเราก็จะทุ่มเทได้มากขึ้นเราก็จะพักเราก็จะปฏิบัติเจริญสติได้ได้มากขึ้นเจริญสมาธิเจริญต่าญๆได้มากขึ้นและเมื่อเราได้เจริญไปในระดับหนึ่งพอได้เลื่อเห็นผลแล้ทีนี้ก็จะเกิดศรัทธายิ่งกว่าการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เพราะไม่มีอะไรจะจะโน้มน้าวจิตใจศรัทธาของเราได้มากนี่แบบคนที่เกิดจาการปฏิบัติของเราเอง เหมือนกับทํา ง, งานแล้วมันไม่ได้เงินเดือนมันก็ไม่มีกําลังใจที่อยากจะทําแต่ถ้าทําแล้วสิ้นเดือนอย่างวันนี้วันที่สามสิบพอดีร้องเงินเดือนออกนี่มันก็ทําให้มีกําลังใจที่จะทําต่อลองทำไปแล้วบริษัทก็ขอเลื่อนไปหกเดือนนค่เราไม่จ่ายเนี่ยจะมีกําลังใจทําต่อไหมเราที่ทำงานที่อื่นทําได้เพราะมารู้ว่าเขาจะจ่ายเราหรือเปล่านี่ก็เหมือนกัน ถึงแม้จะมีศรัทธาแต่ถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นผลมันก็ยังยังไงอยู่มันก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่มีศรัทธาที่อยากจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่แต่พอได้พบกับความสงกได้เห็นจิตรวมเป็นข้างล่างแล้วทีนี้มันทุ่มเทได้หมดเลยมันมีอะไรที่เคยมีอยู่นี้ก็จะตัดจะละไดอ้ออกบวดได้ออกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ เันเป้าหมายแรกก็คือลุกล่วงไปถ้อยทจิตใจให้รวมให้ได้ตอนนี้ทำภาวนาเจริญสติแล้วนั่งสมาธิให้ว่าเวลาวนั่งเจ็บแล้วปวดก็หลาไปลุกบริการพูดทัวไปถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้มันจะเกิดศรัทธาอย่างมากเพอจิตรวมลงแล้วเวทนาหายไปหรือไม่หายก็ตามแต่จิตสงบเย็นสบายไม่วุ่นวายกับความเจ็บปวดของร่างกายแล ทีนี้มันมันมีทางมันมีกําลังมีศรัทธาจริงๆเป็นศรัทธาที่ไม่มีใครที่จะมาทําให้หวั่นไหวได้ไม่มีใครจะมาโน้มน้าวให้เรากลับไปทําอะไรแบบเดิมๆได้นะเพราะเรารู้แล้วว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นะที่จะเป็นทางสู่ความสุกที่แท้จริงพ่าเราได้เริ่มเห็นหนังตัวอย่างได้พบกับความสุขตัวอย่างที่เกิดจากความสงบที่จะเป็นเพียงชั่วขณะเดียว ใหม่ๆนี้มันวุบไปเดี๋ยวเๆเท่านั้นแหละแต่มันมันมันมีมันมีอํำนาจต่อจิตใจของเรามากมันมีที่ผลต่อความสรัทธาของเรามากพอได้เห็นอย่างนี้ครั้งเดียวแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราสามารถทําได้พอทําได้ครั้งเดียวแล้วทีนี้มันมันรู้แล้วว่าต่อไปก็ต้องทําได้ทีนี้มันก็จะพยายามทุ่มเทเวลาต่างๆมาต่อการสร้างความสงบ มีอะไรที่เป็นเอกสารการงานต่างๆถ้ายังจําเป็นอยู่ต้องทำว่าทําให้มันน้อยลงไปทําเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ออกจากงานจากการไปมันจะได้ออกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นอย่างนี้นะอีกไม่นานไม่เกินเจ็ดปีอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทํางานไว้พยากรณ์ไว้ถ้าใครจิตรวมลวงนนแล้วแล้วปฏิบัติต่ออย่างอย่างต่อไดนะ้ไม่เกินเจ็ดปีอย่างแน่นอน แล้วยิ่งถ้าได้ไปอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วท่านได้แล้ ว, ท, ลวท่านได้รับผลแล้วมันยิ่งเร็วอยนี้ <Yeah. S 1> เพราะจะไม่เสียเวลาจะไม่หลงทางถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ยังมีกับดักมีมีทางที่ทำให้เราหลงได้แต่มันจะไม่หลงแบบออกนอกลู่อนอกทางไปบางทีจะทำให้วอวนเวียนในในกรอกของมรรคผลิพานนั่นแแต่มันจะ ทำให้ช้าลงไปนะมันจะไม่เป็นทางตรงแต่ถ้ามีครูบาอาจารยคอยชี้คอยบอกอยู่ทุกระยะนี่พอมาถึงตรงนี้ก็รู้เลยว่าจะต้องเลี้ยวท้ายเลี้ยวขวาหรือต้องตรงไปถ้าไม่มีก็ยังต้องต้องต้องต้องทดลองหรือเลี้ยวซ้ายจะก่อนถ้าไปทางนี้ไม่ใช่ก็ต้องมาทางเลี้ยวขวาถ้าไม่ใช่ก็ต้องตรงไปมันก็จะเสียเวลาอต่ถ้ามีคนคอยบอกพอถึงสามแยกก็มีป้ายบอกเลยตรงไปนะเลี้ยวซ้ายนะ อย่างนี้มันก็จะไม่เสียเวลานันการที่มีครูบาอาจารย์หรือ ก, การที่ศึกษาอย่างต่อเ น, นื่องทั้งในขณะที่เราปฏิบัตินี่ก็ยังต้องศึกษาอยู่เงี้งแต่ว่าเราเรามีเวลาสําหรับการศึกษาเดี๋ยเราปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วเราก็กลับมามาศึกษาดูว่าตอนนี้เราถึงไหนนะเราต้องทําอะไรต่อเราทําถูกหรือเปล่าทําทไม่ถูกหรือเปล่ปาอย่างไรต้องมู อยางพระที่อยู่กับครูบาอาจารย์เวลาช่วงบางช่วงนั่นก็นอหอลาไปเก็บเพื่อไปบำเพ็ญพอวานนั้นไม่นานเท่ากับมาฟังเทศน์ฟังธรรมต่างมีปัญหาอะไรก็กลับมาถามเพื่อจะได้ไม่ไม่หลงทางไม่เสียเวลาถ้าเรามีความเชื่อมัน่นในครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราว่าท่านเป็นผู้รู้จริงๆจริงมีปัญหาอะไรก็รีกลบาเลยไม่เก็บไว้ให้เสียเวลา แต่บางช่วงมันก็ไม่มีหลวงตาท่านก็มีหลวงปู่มั่นคอยอยู่เวลาคอยสอนอยู่แต่ก็พอ ถ, ถ, ถึงช่วงสุดท้ายก็ยหลวงปู่มั่นท่านก็มรณภาพไปกอ่อนท่านก็เลยต้องไปทำทางของท่านเองในช่วงช่วงสุดท้ายท่านก็บอกเสียเวาลาไปสามเดือนตลอดตอนนั้ที่มีปรากฏเป็นเป็นธรรมขึ้นมาในจิตของท่านที่ว่าที่หลังมีจุดมีต่อที่ท่านยังมีภกใิชายอยู่ ท่านก็ทางก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นเป็นปิศาจทำถ้าท่านถ้าหลวงปู่มัน่นอยู่ตอนนั้นท่านบอกว่าถ้าไปกราบถวายท่านท่านหลวงปู่มั่นก็จะชี้อบอกจุดแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็จะตัดไปหาด้ไปในเวลานั้นเลยแต่นี่ไม่ไมีท่านก็เลยต้องไปแบบตรวดไปทุดงต้องสามเดือนนีงไง่ทราบแล้วก็กลับมาที่เดิมนั่นะ แต่งแกมามาร้องอ๋อที่ตรงนี้เพอ๋อม่อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงเขานู่นน้ำเขานู่นไงมันอยู่ตรงนี้จุดต่อมที่เป็นจุดเป็นต่อไม่นอยู่ตรงนี้มันอยู่ในจิตเรานี่เองนี่คือความแตกต่างระหว่างที่มีครูบาอาจารย์กต่ไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ยังไปได้อยู่ถ้าเราได้เข้าสู่กระแสธรรมแล้วมันจะไม่หลุดนลนะ้ว ถ้าไา้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมขั้นแรกแล้วมันไม่มีทางหรอกมันอย่างมากก็เจ็บชาติเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีก็ชาตินี้เจ็บวันก็เจ็บชั่วโมงมันก็บรรลุได้อย่างพรอเปนจ้าวักขีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพียงสองสามครั้งแค่นั้นเองภาในเวลาคงสองสามวันนั่นแหละก็บรรลุธรรมธาตุงานยานถึงนัทั้งหมด มันไม่ยากเลยถ้าเราเจ็ตเข้าสู่กระแสแล้วถ้าเราเจ็ตได้เข้าสู่ควาสมสงบแล้วมันมันจะประเด็นได้แล้ะมันรู้วิธีปฏิบัติแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรลผลของปฏิบัติเป็นอย่างไรแต่ถ้ามันยังไม่เข้าสู่จุดนี้มันก็วนไปวนมาอย่างนั้นสงสัยอยู่นั่นน แ, แล้วก็ท้อแท้ไปอยูเรื่อยๆ เ, เพราะไม่กล้าทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างเต็มที่ เพรฉะนั้นขอเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพรสงฆ์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้เราฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยอย่าไปยึดอย่างอื่นเป็นสาระเป็นที่พึ่งอย่าไปยึดเรื่สิ่งกินรื่องโปรตะระเนที่พึ่งตัดลงไปไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังนั่งสมาธิดีกว่าเดินเล่าจิตดีกว่าพิ่เจณารทำดีกว่า ฟังเทศฟังธรรมกนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะทําอย่างอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและให้มากที่สุดเท่าที่หนูมากได้รับรองได้ว่าผลนึงต้องตามมาแน่นอนไม่มีทางอื่นยัง ม, มีทางนี้ทางเดียวมัชฌิมาปฏิปทาก็าคืออัตตาเหี้ทยทำโนะเถอะตอนเป็นที่เพื่อน้องตน อย่าไปคาดกันเลยว่าเราไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้าแล้วเราจะได้ปฏิบัติอย่างสะดวกฟังธรรมหมือนเจ้เาก็จะได้บรรลุถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่เราสร้างไว้ในชานี้ไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้าหรเหมือนเจอพระพุทธเจ้าองค์นี้มันก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่มีภาชนะที่จะรองรับธรรมที่ท่านจะมอบให้กับเราเราต้องสร้างภาชนะที่รองรับธรรมเื่อสร้างสะพานแห่งสมาธิให้ได้กับพอมีสมาธิแล้วทีนี้ ทำวิปัสานามันก็จะรับได้มันก็จะเข้ามาในใจเราได้เต็มที่ดงั<ม>้นต้องต้องเน้นทางเรื่องการปฏิบัติให้มากมเรื่องการภาวนาให้มากเรื่องทางเรื่องศีลก็ทำเท่าที่จํเาเป็นหรือทำให้มันหมดหม ด, หมดไปผ่านไปเลยดีกว่าเอย่าไปค า, า, าราคาซังอยู่ติดอยู่กับทางอยู่กับศีลต้องไปงานบุญนั่งงานบุญนี้อยู่ตลอดเลยนะ มัก็จะเสียเวลาการภาวนาไปอยู่บ้านก็ได้ภาวนาถึงงานบุญก็ส่งส่งตัว๋วส่งเช็คไปหรือเปล่าขายปก็ได้เราไม่ต้องไปเองก็ได้อยู่บ้านรักษาศีลภาวนาไปหรือไปอยู่วัดที่สงบในภาวนาไม่ต้องไปงานบุญไหนตามมันึนป็เหมือนกับเดินถอยหลังเราผ่านไปแล้วเราเดิน ชั้นมัธยมแล้วเราอยากกลับไปเรียนชั้นประถมเราต้องก้าวขึ้นสู่ชั้นระดับอุดมศึกษาก้าวไปข้างหน้าด้วยการภาวนาทานศีลนี้เป็นเหมือนชั้นประถมกับชั้นมัธยมแต่เราอยู่ในขั้นภาวนาเราต้องอยู่ในขั้นอุดมศึกษา ถัามีทางนี้แต่นะ ช, นะช่วงที่เราจิตเสื่อมที่หมายถึงว่าเราเราควรจะทําทานหรือว่าควรจะภาวนาใช่ป่ะกา่รู้ทั้งสองนั่นเสียอก็ต้องกลับไปภาวนาที่เราทําทานทำไมมันก็ยิ่งเสีย่อ <c oughs> มนะที่มันไม่ที่มันไม่เสียอก็พรเราภาวนาพอเราไม่ภาวนามันก็เสือ่อมเหมือนกนานถ้าเราเอาออกจากตู้เย็นมันก็ไม่เย็นแล้วก็เราเากลับเข้าไปในตู้เย็นไม่ใช่เอาน้ำไปต้มมันก็ยิ่งร้อนอย่า ถ้าจิตอยู่สงบแล้วกลับไปทําบุญทำทานนี่มันก็ไปทำให้จิตมันยิ่งร้อนขึ้นไปอีกเวล้วราไปทําบุญทาำทานไปช่วยงานกันเดี๋ยวก็ทะเละกันอย่างคนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันก็ทำให้จิตยิ่งรุ่งร้อนขึ้นไปอีกมันต้องพอมันเสื่อนแล้วมันต้องรีบไปที่เมฆต้องรีบเอาจิตเข้าตู้เย็นเอาน้าเข้าตู้เย็นมันจะได้เย็น ไม่ใช่เอาน้ำไปตั้งไว้เป็นเตาไฟเท่านี้พอตอนที่ภาวนาเจ้าค่ะแบบว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมันนั่งไม่ได้เลยแล้วก็ควรจะนั่งหรือไม่ควรจะหนีว่าพฤติกรรมทุตูอย่างเดียวเจ้าค่ะทำงาไม่ได้กันเดินอนจงกมแทนก็ได้จะเลื่อนสติไปพ่างก่อนก็ได้เพอย่างน้อยก็ขอให้มันได้ให้ให้ใช้ควบคูมจิตใจไว้ไม่ให้ไปคิดส ร, ร้างก ร, รื่องนี้เรื่องน ถ้าอยู่ก็พูดโทรไปก็ไ ด, ได้่โดยจะพิจารณาการสามสิบสอง้างล่างตายบ้านก็นได้หรือสวดมนตไปก็ได้เรือความเทศฟังธรรมอะไรก็ได้เป็นการกล่อมใจให้มันอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในความสงบหรืออย่างน้อยก็ให้อยู่ใกล้กับความสงบแล้วไม่จะพอภาวนาไม่ได้ก็ไปเปิดโทรทัศน์ดูอะไ <c oughs> ต่อไป ตอนนี้มันจะเป็นลักษณะเจ้าค<อ>่ะถึงแม้แม้กระทั่งทีวีนี้เราก็ไม่อยากฟั ง, ง ไ, มไม่อยากดูเสียงคำนั้ก็กลายเป็นเหมือนเหมือนแบบตัวมันเองมันไม่อยากฟังกลัวตั ว, ต, วตัวเองปองอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะกลัวกลัวตัวเองคิดไม่ดีเจา้าค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทํายังไงกันมาเข้ามาคิดในทางที่ดีกันคิดพุทโธพุทโธกันท่านที่ทำแล้วก็ เอาพุโทโธเป็นหลักอะก็ได้แวบทสวดมันเป็นหลักอะไรก็ได้เจ้าค่ะแล้วถ้าแบบมันตนนื่นตอนกลางคืนแบบตื่นมากบทสวดมันไปทำต่อไปไป อ, อย่างนี้นะเจ้าค่ะสวดไปได้บริกรรมพุโทโธก็ได้พิจารณาความตายก็ได้พิจารณาความแก่ความเจ็บ <c oughs> ความตายก็ได้พิจารณาการสารพิสูจน์อง้า ง, ง, ง, งการการไไ็ได้หลาน้หญ่ อยากปล่อยให้มันคิดถ้าไม่ปล่อยให้มนคิดอะไรมันจะไปคิดในสิ่งที่เรากลก็คือคิดสิ่งที่ไม่ดีจิตของแล้วก็เป็นเหมือนรถยนถ้าเราไม่เป็นคนขับเดี๋ยวมันก็ขับเองถรถยนวิ่งขับเองเดี๋ยวมันก็แห่โค้งมันก็ตกเหวฝ่าไฟแงดงรถที่ไม่มีคนขับมันก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องเราต้องขับใจเราต้องควบคุมใจเราควบคุมความคิดขเราถ้ามันอยู่ในถนน ถนนนี่ก็คือธรรมะนี่ให้มันอยู่กับพุโทโธอยู่กับอยู่กับไตรักอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องควบคุมนะบ่อยแล้วไมได้สตินี่เป็นตัวควบคุมถ้าเราดูใจแล้วควบคุมสั่งความคิดของเราให้คิดไปตามที่เราสั่งมันแสดงว่าเราเจริญสติแล้วถ้าเราให้คิดอยู่กับพุโทโธมันก็เป็นพุทธาไม่สติ มันมีสติควบคุมใจด้วยพุโทโธถ้าเรามีลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีลมหายใจเข้าออกเป็นสติควบคุมใจต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องคอยควบคุมใจเราอยู่ตลอดเวลาให้ดูใจของเราเป็นเหมือนนักโทษเราเป็นเหมือนยามที่เฝ้านักโทษอย่าให้เขาอย่าให้นักโทษนี้ไปทำอะไรไม่ดี เราต้องเราต้องคอยคุมเข้าไว้ตลอดเวลาอย่าตามใจเราอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามใจตามอารมณ์หมดแนละ้วนะปัญหาไม่กย้ า, าจะให้ปล่อย